สัพพคัวรตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธสัพนะโมตัสสะพัคควตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธสัพนะโมตัสสะพัคควตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธสัพ นโมตัดสาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัดสาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัดสะภคะว oh โ ะ, ะวต โ, โต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังขจฉามิพุทธังสรานังขจฉามิธัมมังสรนังขจฉามิธัมมังสรานังขจฉามิสังขังสรนังขจฉามิสังขังสรานังขจฉามิ ทุติยมปิพ <it in> <center> ุทธังสระนังคตฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคตฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังคตฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังคตฉามิทุติยมปิสังขังสระนังคตฉามิทุติยมปิ สังขังสรานังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรานังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสราังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรานังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรานังคัจฉามิ ติยมปิสังคังสรานัคชามิติสระนคำนังนิทิตังอามะพันเตก <c oughs> รับน้ัสการพกรูสมณะโพธิรักกรับน้ัสการท่านสมณะ จเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพและใฝ่ในธรรมทุกท่านครับ<า>วันนี้ก็นับเป็นโอกาสอันดีของชาวเครือข่ายแพทย์พิธีธรรมนะครับที่ได้รับความเมตตาจากพ่อครูสมนาโพธิรักษ์นะครับได้มาแสดงธรรมเพื่อโปรดนะเครือข่ายจิตอาสาแพทย์พิธีธรรม นะครับแล้วก็พี่น้องที่สนใจสุขภาพและฝ่ายในธรรมทุกท่านซึ่งการการแสดงธรรมวันนี้จะเป็นลักษณะเชิงสัมภษณ์ไปในตัวด้วยเพราะว่าจะใช้ในวิทยานิพนร์ระดับปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคสาธารณสุขชุมชนนะครับที่ผมกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู่ นะครับได้หัวข้องานวิจัยเรื่องจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับก็เลยจะได้ถือโอกาสใช้การสัมผัสครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมเป็นข้อมูลนะครับในวิทยานิพนธ์ไปด้วยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะได้เริ่มต้นนะสัมภาษณ์พ่อครูสมณพโธิรักษ์นะครับ ในในเนื้อหาหลักก็คือนะพุทธธรรมกับสุขภาวะนะครับพุทธธรรมะกับสุสขภาวะนะครับโดยจะเริ่มต้นนะขออนุ ญ, ญาตเรียนถามพ่อครู ว, ว่าตอนนี้พ่อครูอายุเท่าไหร่แล้วครับพ่ครูครับแปดสิบปีหกห้าเดือนหกาเดือน่ ไม่ถึงห้าสี่สี่เดือนเดี๋ยวถึงธันวานี่ก็หพฤศจิกาก็ห้าตุลาก็สี่สิบแปดปีสี่เดือนกี่วันก็ลบมาสิวันที่ห้าลบมาถึงวันนี้ปีละปดสิบปีก็มันมันจริงว่าตอนนี้ก็สิบแปดฮะเพราะว่าสุขภาพมันสิบแปดแล้ว สุขภาพพ่อครูตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสิบแปดับสุขภาพสิบแปดอายุสิบปดสุขภาพรจริงนะอาตมาไม่ได้รู้สึกว่าอาตมาแก่ยังงงๆอยู่เหมือนกันเราอายุแปดสิบได้ยังไงตัวเลขมันมาจากไหนรพราะาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเองนี่อ่อนแอกร่วบกระป๊อกกระแป๊บวกเปียอะไรโหยโรยแรงหรือว่า ه, มันไม่มีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะเป็นคนอายุ80แสิตั้งแต่เด็กๆในอาตมาจะรู้สึกว่าคนอายุ 70-80 นี่คือคนแก่เข้าใจแล้วก็เห็นจริงรู้สึกยังงั้นจริงๆเลยคนอายุ 70-80 คือคนแก่เพราะว่าก็มีคนรอบข้างที่ว่ามีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าคนแก่นี่แหละเจ็ดวกนี่คนแก่ นังเหียวนังยนงงเ ง, ง, งินเงิ น, งนอะไรเนี่ยมันก็ชัดเจนแต่เราไม่เห็นท่าทีลีลาของเราเป็นอย่าง้งเลยมันแปดสิบได้ยังไง <c oughs> ยังงงงตัวเองแปดสิบเพราะงั้นก็ไม่เชื่อว่าตัวเองแปดสิบก็เลยประมาณเราเองสิบแปด แล้วพ่อครูได้มีการตรวจสุขภาพทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้ครับตรวจตรวจส่โอ้โหเขาจัดการคนดูแลนี่เขาจัดการเมื่อนั้นเมื่อนี่เวลานั้นเวลานี่จัดตารางไปตรวจอันนั้นตรวจอันนี้ไว้ตลอดเอ็อร์ดอไว้เสมอครับอยากได้เอ็กซ์คอ<น>ยินต่อเอาคนที่เขาตรวบรวมไว้ครับผลที่น่าสนใจบางประเด็นพ่อครูพอจะที่พอจะโอ้พูดไปก็จะคุยน่าครับอ่าผลเนี่ยนะ อหมอตรวจทางหัวใจเขาก็บอกว่าโอ้โหหัวใจประมาณคนอายุสามสิบตรวจสมองตรวสมองบอกโอ้โหนี่คนประม า, ะมาณอายุสี่สิบนะเนี่ย <c oughs> โอ้โตรวจปอดโอ้โปอดอายุเนี่ยเี่สิบห้านะเนี่ย <c oughs> อะไรอาตมาแปดสิบแล้วคุณบอกอาตมาสี่สิบ้านี่คือผลตรวจที่พูดได้หมอเขาว่างี้ยจริง ให้ไปตรวจส่วนนั้นส่วนนี้ก็อะไรเขาไว้ไปสแกนด้วยอย่างสมองนี่ก็สแกนออกมาหมดเลยนะไอ้หัวใจก็คนคนก็จะรู้โอ้โหสายระยงระย่างเลยตรวจหัวใจตรว จ, รว จ, รวจกัจใจนั่นออกมาก็ได้ผลออกมาแั้วน่ะตรวจปอดก็โอ้โหต้องมาเดินสายผ่านต้องมาทําอะไรอะไรให้เขาตรวจปอดแล้วต้องมาเป่ามาอะไรนะก็ตรวจตั้งกรรมวิธีเขาเสร็จแล้วก็สรุปผลออกมาอย่างที่บอกไปแล้ว คือมันยังอายุยังไม่ได้ไปถึง5้าลิเดิมยังหนุ่มกำลังหนุมแน่กลังเต็มกำลังเลยนะคนอายุ40ิบเนี่ย30มสี่ิเนี่ยเาเรียกว่ากาลังวังชากำลังเต็มที่เลยนี่คือคำตอบประมาณนั้นครับครับครูมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรครับหรือใช้พุทธธรรมมาเกี่ยวข้องบ้างไหมในการดูแลสุขภาพครับโอ้บอลเข้าเท้าเลยงวดนี้ <laughs> ครับอ่า สุขภาพที่อาตมาดูแลก็คือหนึ่งต้องมีอิธิบาตบอลข้าวเท้าเลยใครรู้มาแล้วแปดอเรียงไว้เลยแปดอเรียงไว้เลยมีอิธิบาตต้องมีจริงๆเลยต้องมีความต้องการอายุยืนยาวซึ่งอันนี้อาตมาก็ว่าคนทั้งหลายก็คงจะมีชันทะต้องการอายุยืนยาวแน่นอนแต่วิริยะสิจะพอขยันไหมอ่า วิริยะเนี่ยอ่าแล้วก็มีจิตเอาจริงมีจิตเอาจริงเนี่ยจิตตะในอัตมาไม่แปลว่าเอาจิตเอาใจใส่เท่านั้นหรอกมันเบาเอาใจใส่เ้ยมันเบามีจิตเท่าไหร่ทุ่มก็ไปเลยเอออย่างเงี้ยจิตตะมันถึงจะเข้าท่าอ่ามีจิตเอาใจใส่มันจะไปได้เรื่องอะไรกันทุกวันนี้เนี่ยมันต้องนะ นี่มจีสังขารข้างในของอาตมาเนี่ยมันหยาบมันบอกว่าถีบใส่เขาไปเลยน่จีสังขารของอาตมามันมันหยาบมันบอกว่าถีบใส่เขาไปเลยมีทมีจิตเท่าไหร่โถมเข้าไปให้เต็มที่แล้วก็เราก็จะได้คัดเอาเนื้อเลยวมีมังสามังสวิทเนี่ยแปลว่ายิ่งคันเอาเนื้อยิ่งยิงมีมังสาแล้วเราก็นั่นแหละ ทั้งการชันทวิริยะจิตตะแล้วก็ปฏิบัติมาจริงๆก็เกิดผลแล้วก็มาคัดผลเลือกเฟ้นตัดสินมีมังสาท่านก็มาแปลว่าไตรตรองก็ไตรตรองก็เลือกเฟ้นนั่นแหละเอาเนื้อหาสาร ะ, ะมีอธิบาทแล้วก็จะต้องสำคัญก็ที่สรุปลงที่อารมณ์จิตเป็นใหญ่ก็จะต้องรักษาอารมณ์ นะอ่ารักษาอารมณ์เมื่อขวักวักไว้ไว้พูดตอนหลังที่จะได้ขยายความเข้าหาประมาทเข้าหาเนื้อหาสาระของวิชาการทางธรรมของพุทธเจา้าเพราะอารมณ์คนรู้เวทนานี่จะดีที่สุดนะถึงกั้นอุเบกขาเวทนาเป็นสุดยอดไายเป็นฐานนิพพานเนี่ยก็ต้องรู้เวทนาร้อยแปนี่แหละเพราะนั้นก็อาวักไว้ก่อนนะเรื่องอารมณ์ต้องดีต้องทําอารมณ์ให้ดีเสมอนะสรุปไปตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขยายรายละเอียดของอารมณ์เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องประมาท จากนั้นก็อาหารอาหารก็นั่นแหละก็ต้องต้องเข้าใจอาหารเป็นธรรมชาติอาหารที่มันอะไรเป็นประโยชน์น้าอาตมาก็ไม่ต้องขยายความมากที่นี่ศึกษาเรียนรู้โภชนา ก, การต่างๆดีๆอยู่แล้วต้องรับอาหารได้ถูกต้องแต่ละคนก็ไม่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะไปเอาสูตรตายตัวแก่ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้หรอกอาหารธาตุไม่เหมือนกันวิบากไม่เหมือนกัน เพราะงินได้มากก็แต่ละคนก็อาจจะต้องต่างกันไปบ้างอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้ร้อนมากคนนี้เย็นมากคนนี้จะต้องได้ถาดนี้คนนี้ต้องได้ถาดนี้อะไรต่งตางๆ น, นานาแน่นอนไม่ต้องเอาพร้าวมาขายสวนตรงนี้ ni. เรื่องของอาหารพูดแค่นี้ก็พอก็ต้องให้เหมาะสมนอกจากอาหารและอากาศ พเพราะฉะนั้นอากาศที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมมีบรรยากาศอย่างเนี้ยเป็นสวนเป็นอากาศที่ต้องมีต้นไม้ที่มาทำเนี่ยคอนดิชันนะแอะมันมันยิ่งกว่าเนี่ ย, ยเป็นเนเชอรัลออกคอนดิชันต้นไมา้รากไม้ภูเขาต้านลำธารแม่น้ำะจะต้องได้สัดส่วนที่มันโอมันจะทำ อ, ะออกซิเจนทำดูดเอาคับบอได้ออกซส่ให้ออกจากเราได้อย่างเพาะได้สัดส่วนอะไรเนี่ย มันจะต้องมี อ, อย่างพอเหมาะพอดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเย็นความร้อนอะไรในสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรือนไม่ว่าจะเป็นที่แวดล้อมต่างๆอย่างได้สัดส่วนอพอเหมาะหรือว่าได้ประโยชน์มาทางธรรมชาติที่มากแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่เข้าใจมันกลายเป็นป่าคนกรีกไปหมดแล้วอนอกจากป่าคนกรีกก็เป็นป่าเหล็กเลยเป็นป่าโลหะเป็นป่าเหล็กไปเลยทุกวันนี้ มันก็เป็นไปจน ล, ล, ลมพัดเขามานี่หลงทางน้ําฝนตกลงมาไม่รู้จะไหลไปทางไหนหลงทางหมดดินน้ําไฟลมเข้ามาในป่าคนปลีดป่าเหล็กป่าเมืองเขาเนี่ยหลงทางใช่ไม่ได้เพราะอากาศเราก็ต้องจัดสรรอาตมาที่นี่ทํามาแต่ต้นที่ทีไหนๆก็สร้างองค์องค์กอบคลอ ง, อ ง, องที่อยู่ให้เป็นธรรมชาติ ตั้งแต่ปฐมโศกชุมชนแรกก็สร้างว่าจนกระตั่งทุกวันนี้เป็นสถานที่ธรรมชาติจนกระทั่งเป็นราชธานีตรง น, นี้ก็ตรงหมวกต้นไม้อะไรอะไรก็ขึ้นดีได้สัด ส, ส่วนได้อะไรขึ้นมาดีซึ่งเป็นไม่ใช่ป่าดงดิบถ้าป่าดงดิบก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าแบคทีเรียหรืออะไรต่างๆนาน า, นาอยู่ป่าดงดิบมันโลดคนอยู่ไม่ได้แบคทีเรียต่างๆของป่าดงดิบคนอยู่ด้วยไม่ได้ มันก็ต้องเป็นป่าที่คนอยู่ได้นะอย่างนี้เป็นตน้นก็มีป่ามีต้นไม้มีสวนมอีอะไรไดไดสัดส่วนที่มันสมควรสรุปแล้วก็คือได้อากาศนะที่เป็นอากาศไม่ไปมีทั้งกันเชื้อโรค ก, กาจัดเชื้อโรคให้เรามีทั้งสร้างสิ่งที่เป็นสารทางอากาศทางอะไรให้เรายัางครบถ้วนดี ก็เสนาสนะที่ดีนะอากาศอาหารอาหารก็ไม่ต้องพูดมากที่นี่ก็ศึกษาเรียนรู้ดีอยู่แล้วโภชนาการก็จะต้องได้เป็นอาหารที่ดีเป็นกับิีกอาหารที่เป็นประโยชน์เพราะเราต้องกินทุกวันอาศัยอาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารเป็นหลักจากอาหารและออกกำลังกายตัวนี้แหละตัวนี้แหละคนมันขี้เกียจ ออกกําลังกายนี่คนมันขี้เกียจจริงๆมันก็ทําไม่เหมาะไม่สมมันก็ขาดเ อ, อบางทีดีไม่ดีบางคนเกิน อ, อไฟแรงจัดออกกําลังกายเกินนี่ก็มีคนได้ข่าวได้ข่า ว, าวมาออกกําลังนายักษ์โตๆอ่ะได้ข่าวว่าตอนนี้เอามาพึกกินแล้วอืออกเป็นสุดตรงไหนก็ไม่รู้มันออกเกินออกกําลังกายเกิน มันก็เป็นได้แต่น้อยออกกําลังกายเกินจนกระทั่งเป็นภัยส่วนมากขาดเมื่อขยันไม่ค่อยจะทนที่จะออกกําลังกายต้องออกกําลังกายให้พอมเหมาะหน้าทลายแล้วสี่แล้วเหรอครับอิทธิบาทอารมณ์อาหารอากาศแล้วครับอ่าสี่แล้วใช่ไหมอาออกกาลังกายออกกำลังกายห้ออกกา <5 S 1> แล้ว <5 S 1> ครับนะครับอ้าหกทีน่นี้เอาเอ็นกาย เอ็นกายนี่เราเอาตัวอ่าน่ะคำว่าเอ็นกายที่จึงต้องการให้พักพอนรู้พักรู้เพียนเราจะต้องรู้เวลาพักเวลาเพียนนะพักให้พอสมควรไอ้พักมันไม่มากหรอกไอ้เพียนนี่มันมากชีวิตคนต้องเพียนเพียนแล้วก็รู้จักพักสมควรพักแล้วก็ต้องพักมันเกินขอบเขตไปมันก็สุดก็เสื่อมไม่ดีนะก็ไม่ต้องอธิบายมากแต่ที่มากก็คือต้อง เข้าใจเองแล้วก็ต้องเข็นตัวเองใ้เรื่องออกกำลังกายเนี่ยนะข้อสำคัญให้เหมาะสมกับตนเอ ง, ย ง, อ, อ, อ, กกงยอย่างอาตมาเนี่ยออกกำลังกายสมอย่างวนเวียนอย่างที่ทำอยู่ประจำหนึ่งเดิ น, นเดิ น, นเดินเร็วเดินใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเดิน45นาทีแล้วก็คูลดาวอีก15นาที นั่นเดินสองถีบจั ก, กรยานเครื่องของเขาเนี่ก็ถีบจั ก, กรยานถีบอะไรแล้วก็เดินที่จั ก, กรยานก็ยี่ห้านาทีเดินอีกสิบห้านาทนะีสามโยคะนะโยคะดัแต่มันมีแถมนวดคนนั้นมาก็อยากนวดคนนี้มาก็อยากนวดก็เอามีเวลาวาระก็นวดไปตามควรคนไหนนวดแล้วดูท่าทีดีๆก็นวดบ่อยได้ คนห น, หนั้นนวดไม่เขาทากคนเดียวไปเลยแลก็เราก็ดูเอาอะไรที่ดูแล้วคนนี้มันนวดไม่เป็นมันอยากมานนวดเฉยๆมันไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเปล่าๆก็ไม่ต้องให้หนวดต่อคนที่นวดได้ความก็นวดไปก็อาจจะจซ้ําๆหรือว่าได้มือนถึงโอกาสเวลาก็ว่าไปนัะนก็แถมนวดก็มีเป็นประปร า, ยรายก็หมอหนวดเสนอหน้ามาเรื่อยน้คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นก็ว่ากันไป นี่เป็นเรื่องทำให้ออกกาลังกายที่นี่ก็เจ็ก็เอาพิษออกนะเจ็ดเอาพิษออกนี่ก็โอ้พวกคุณรู้ดีกว่าอาตมายเยอะนะจะทำอะไรบ้างตะไรบ้างมากมา ก, มากายกองทำให้เหงื่อออกก็เอาพิษออกแล้วนะนะอย่างอื่นๆ อ, อ, อีกจะเป็นกัวซาจะเป็น อ, อะไรทอะไรนั้นนะ่ะดีทงดีทอกไอโนไนไอนตีต่างๆนานาสารพัดอย่าง แม้แต่กระบอกอะไรดูดเลือดออกมาทำอะไรเขาสารพัดก็าทำอะไรบ้างก็ไม่รู้อาตมาจะรู้น้อยกว่าพวกคุณอีกนะก็ไม่ต้องสรุปแลไม่ต้องอธิบายต่อด้วยเพราะว่าขอคุณเอามาพราหามาใช้สวนก็ไม่ดีอะ่นะคุณก็ว่างคุณไปได้เต็มที่กวอาตมาเอาพิษออก8ดอาชีพตัวนี้สำคัญนะอาชีพเนี่ยอาจจะพูดยาวหน่อย เรื่องอาชีพนี่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์เป็นงานของมนุษย์ที่มนุษย์ไม่คิดถึงว่ามันเป็นโทษเป็นประโยชน์อาชีพทุกวันนี้เนี่เป็นอาชีพโทษเยอะโดยเฉพาะอาชีพนักธุรกิจนี่เป็นอาชีพเป็นโทษอาชีพอาชีพนักธุรกิจไม่ต้องไปพูดถึงอาชีพพวกตีลันฟันแทงฆ่าแกงรับอจ้างยิงคนอะไรอะไรพวกนี้เรือว่าคน ยาบ้ายาเมาไปค่ายาเมายาบ้าฆ่าสิ่งที่มอมเมาค่าสิ่งที่เป็นพิษมัชวณิชาพีวีสวณิชาพวกนี้เป็นมิจฉาไม่ต้องไปพูดเลยพวกนั้นอาชีพรายแรงอาชีพชั่วอาชีพบาปอาชีพอายุสั้นตัวเองก็ทําให้คนอื่นอายุสั้นตัวเองก็อายุสั้ น, นแม้แต่อาชีพที่ร่ำแหลมอาชีพที่จะตายไว ในอะไรต่างๆอาตมาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะรู้กว้างถึงกันว่าอาชีพที่ต้องตายไวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมันมีอีกอาตมาไวาเยอะนะอาชีพที่ตายไวเนี่ยรอแหลมทั้งอุปโภคภเหตุล่อแหลมทั้งเอาสารพิษเข้าตัวเองเป็นอาชีพที่ตายไวนะไตไตวายบ้างอ่าอื่นไม่ใช่ไตวายวหอหัวใจวายปอดวายม้ามวาย อะไรอวัยวะใดส่วนใดส่วนหนึ่งวายมันเป็นได้อาชีพต่างๆนี่นะเพราะอาชีพก็ต้องรู้ว่าอาชีพที่จะให้เรามีอายุยาวอยู่ในสุขภาพดีแม้มันจะเงินดีอย่างไรไม่ต้องรายมากตัวอย่างชก ง, ง่ายๆชาวสวนชาวไร่ใส่ใ ช, ช้ยายาเคมีสารเคมีต้องใช้ นะพลไม้ดีใบไมด้ดีผักดีพืชดีแต่ตัวเองต้องรับเขา้าก็ทนเอาเพราะมันได้เงินดีได้อะไรดีเสร็จแล้วก็นะลูกเต้าก็ไปํำพลาสิพ่อพ่อหรือแม่ตายก่อนอาชีพพวกนี้อายุก็ไม่ไม่ยาวแต่ก็เป็นหลงว่าจะต้องได้เงินได้ทองได้ผลผลิตที่มีราคาดีอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะอาชีพเราก็ดูมันเป็นอบา ย, ยมุกอาชีพที่ทําร้ายทําลายชีวิตคนที่อัตมาใช้คําว่าอบา ย, ยมุกในบางทีตัวเองไม่ยังเศรษฐีทางน้ําเหล้าทุกเขาเองเขาไม่ดื่มเหล้านะเขาไม่ดื่มเหล้านะเรี่เลยว่าคนอำ ม, มหิตคนนี้เรียกว่าคนอำ ม, มหิตตัวเองไม่ดื่มเหล้ารู้อยู่ว่าดื่มเหล้ามันไม่ดีใช่ไหมตัวเองจึงไม่ดื่มแต่ตัวเองทํามอมเมาคนขายเอาเงินร่ํารวย อมหิทธ์ไหมนี่แหละอมหิทธ์เลือดเย็นรู้ทั้งรู้มันไม่ดีแล้วตัวเองก็ยังไม่ดื่มเลยแล้วตัวเองเอาไปทําให้คนเขาเป็นผิษเป็นภัยให้แก่คนทําไมคนคนนี้คบไม่ได้หรอกคนแบบนี้หน้าเนื้อใจเสือคนหน้าเนื้อใจเสือตัวเองรู้ตัวเองยังไม่ดื่มแต่ตัวเองผลิตขายให้คนอื่นเขาตาย ฆ่าคนอื่นแต่ตัวเองเอาตัวรอดใช้ได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่สํานึกเขาก็บาบของเขาเขาก็เวรของเขาจริงๆริงเขาก็ร่ํากระรวยแต่เขาเองเขาํารวยแบบที่เขาสร้างบาปเขาไม่รู้เขาได้บาปได้ไปโดยสัจจ์เป็นบาปโดยสัจจ์มันก็จะทําทีเป็นทําทานทําทานทาทานขี่มาอะไรมันก็ไม่คุ้มหรอกนะเพราะว่าเขาเองก็เอาไปร่ํารวยแล้วก็คนตายคนเป็นพิษเป็นไป ไอ้แบบนี้เป็นอาชีพที่ฆ่าคนแล้ววิบากจะฆ่าตนไม่ใช่ชาติเดียวที่ก็เป็นอาชีพที่ลึกซึ้งที่จะต้องเข้าใจอย่าไปทําอาชีพแบบนี้เป็นอันขาดอาชีพอายุไม่ยาวยืนอย่าว่าชาตินี้ชาตินี้คุณอาจจะมีสตังนะรักษาชีวิตร่างกายไว้ยาวยืนได้เพราะมีชีพอัเดียวนี้มันมีสตังมันก็เป็นมนุษย์พืชมนุษย์สายนอนอยู่อย่างนั้นนะได้นะเดี๋ยวนี้ย หัวใจถ้าไม่ทำงานมันก็สร้างหัวใจปลอมไว้ข้างละข้างๆสูบฉีดอยู่เนี่ยได้เลยทุกวันเนี้ยมันใช้ทุกอย่างเลยนะเพราะว่ามันสร้างเป็นหมดแล้วอวัย ว, วะคนทุกอย่นี่มันใช้อะไรเป็นหมดแล้วมีเงินทองสียอย่างไม่ต้องตายง่ายเธอได้แต่วิบากพวกนี้อชาติหน้าคุณไม่ได้หอบออกเครื่องหัวใจเทียมมาด้วยหรอกคุณจะได้หัวใจของคุณก็อ่อนแอมาเลยคุณก็จะได้อะไรอะไรเป็นอวัยวะของคุณมาเลยตามวิบากกรรมจะ สังขารมาให้คุณตามวิบากนะไม่ต้องไปตามรสชาตินี้คุณเจะหนีจากวิบากยังไงบ้างตามที่เดชของวัตถุคุณก็พอทําได้แต่ชาติหน้าจา้างในคุณก็มาทําไม่ได้ทุกอย่างวิบากกรรมก็จัดสัดส่วนของคุณไปเองนะนี่ก็เป็นอาชีพที่เราจะต้องคํานึงว่าเราอย่าทําบาปเราจะไปทําอาชีพที่มันร่อแหลมสะสมหรือว่าอาชีพที่มันร่อแหลมต่ออุปเทวเหตุ ที่จะต้องตายด้วยไม่ใช่ตายหานีตายโหงนี่ไม่ได้พูดหยาบนะตายหานี่คือตายทางโรคตายโหงนี่คือตายสดๆตายด้วยบทวเหตุด้วยอะไรก็แล้วแต่ถูกฆ่าถูกแกงถูกปืนถูกมีดถูกไม้หน้าสามถูกอะไรก็แล้วแต่ถึงมันตายโหงได้เออตายเอินนี่แหละตายโหงได้ตายราคือตายสดนะนะก็เราม้าระวังเพราะอาชีพทั้งเป็นภัยต่อตนทั้งเป็นภัยต่อผู้อื่น เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาสมาอาชีพที่ดีเป็นประโยชน์ทั้งตนเป็นประโยชน์นชนทั้งสังคมมนุษย์โลกได้ทั้งไม่ไปทําสร้างบาปสร้างหนี้สร้างกิเลสสร้างวิบากใส่ตัวแล้วก็รู้จักวิธีที่จะทําบุญให้แก่ตัวเองด้วยนะแปดอ่นี่แหละที่อาตมาใช้ไปตามควรนะโดยการปฏิบัติประพฤติจริงก็เลยรู้สึกว่า80คือ18 นี่พูดอย่างแข็งๆนะพูดอย่างที่เราว่าไม่พูดหวานพูดตีเข้าเป้านะตีเข้าเป้าเลย mm hmm. เรียกว่าชุดโกเลยนะชุดโกเล ย, เลยแต่เข้าวโก้แล้วอาตมาจะไม่ดีใจช็อก <laughs> ก์พะนั้นเดี๋ยวตายคาสนามคอยดูพวกนักบอลเนี่ยมันจะตายคาสนามชุดโก้ได้ดีใจจนช็อกตายนี่ตายตีลังกามาตายเพิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยแต่ข้าโกแล้วก็โอ้ดีใจโอ้ตีลังกา ผาดคอหักตายอีกน้อยไม่ต้องตีลังการะชอกเลยบอกดีใจลงไปเลยมวนตายเอ้าคอยดูไม่เชื่อแล้วทีนี้พรอครูคิดว่าพุทธธรรมเนี่ยจะมีจะมีความสาคัญกับสุขภาวะอย่างไรบ้างครับกับสุขภาพธรรมะเนี่ยจะสามารถช่วยเสริมให้มีสุขภาพที่ดี<อ>ได้อยางอมาว่าอาตมาคงจะตอบได้ไม่ดี รู้สึกว่ายังไม่เก่งที่จะตอบแต่อัตมาตอบได้ก่อนเลยว่าธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้อายุยืนเป็ น, ออปนโอสถทิพย์เป็นธรรมโอสถที่สุดยอดยิ่งกว่ายาอะไรหมดเลยเพราะธรรมะนั่นหนึ่งน่ะมีทั้งอารมณ์ที่ดีเป็นจิตวิญญาณโดยตรง สองมีทั้งปัญญาธรรมะจะทำให้เกิดปัญญาที่รู้จักสัพพิสธรรมจะที่รู้จักทุกอย่างรู้จักรูปจักนามรู้จักธาตุรู้จักอะไรต่ต่างๆ sta, นาะนาะอะไรเป็นพิษอะไรเป็นไม่เป็นพิษ อ, อะไรจะมาช่วยอะไรเสริมบางอย่างบางสิ่งเราก็ต้องเสริมสารแรงหรือว่าสารที่จะมากเราพิษเป็นพิษเนี่ยเอามาเสริมมาใส่อะไรต่างๆนาะนาะจะมีความเข้าใจมีปัญญา ที่จะรู้จริงๆเลยและก็จะเลือกเฟ้นหาสิ่งเหล่านั้นมาให้แก่ร่างกายมาให้แก่ชีวิตได้สัดส่วนที่พอเหมาะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะที่มีทั้งปัญญามีทั้งเจโตอย่างที่ว่านี่แหละมันจึงเป็นความรู้และเป็นความจริงที่ทำให้ชีวิตของคนเนี่ยยืนยาวได้จริงๆเพราะฉะนั้นที่มาใช้คำว่าพูดกันแล้วก็พูดกันไปไม่รู้เรื่อง ว่าผู้ใดท่องโพธิชงเจตนี่แหละจะทําให้อายุยาวป่วยไข้ได้เจ็บป่ต้องโพธิชงเจตได้ก็จะหาจากป่วยจริงๆไป่วต้องให้ตายไงมันก็ไม่หาป่วยถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของโพธิชงเจตโพธิชงเจตมีอะไระมีสติมีทำเอาใจมีวิริยะนั่นเป็นตัวหลักในการปฏิบัติประพฤติคือจะต้องมีสติแล้วก็ใช้สตินี่นำปฏิบัติเลย การปฏิบัติสติเนี่ยอัตมาขอแวะเข้าไปสู่ปรมัตัยเลยได้ไหมตอนนี้ได้ครับเป็นตัวความลึกเลยครับมเมื่อมีสติแล้วสติสัมโพธิชน์ก็จะเรียนรู้เมื่อมีผัสสะถ้าคุณไม่มีผัสสะคุณนั่งอยู่ในผวังก็ดีนอนหลับไปก็ดีสติของคุณควบคุมยากถึงขั้นควบคุมไม่ได้ส่วนมากก็ควบคุมไม่ได้จะควบคุมได้บ้างก็ต้องฝึกฝึกสมาธิ สมาธิลืมตาก็ฝึกสติสมาธิหลับตาก็ฝึกสติให้มันมีพลังงานที่ชื่อว่าสติเนี่ยสตินี่มาจากรากศัพท์สตะนะสตะแปลว่ารอยมาครบรอยครบเหตุปัจจัยครบรอยทั้งนอกทั้งในทั้งส่วนนั้นส่วนนี้อะไรครบรอยเมื่อมีสติแล้วก็ใช้ธาตุรู้ที่มันรู้รอบรู้ทวนรู้ให้ครบนี่แหละรอยทีวาเนี่ย รู้ให้ดีทั้งนอกและในะทั้งนอกและในละอ่านทั้งหมดรวมเลยเป็นองค์รวมเรียกว่ากายกายกายยะเนี่ยองค์รวมทั้งนอกและในมีสัมผัสทั้งนอกและในมีมหาพุทธ ร, รูปแล้วก็มีตาหูจมกูกดินกายมีโขเจรรูปหรือวิสัยรูปรูปสัมผัสแต่ต้องเมื่อมีสัมผัสแล้วก็เกิดเป็นองค์รวมเรียกว่าธรรมชาติหรือสังขาร เป็นธรรมชาติหรือเป็นสังขารนะั้ปรุงแต่งโดยอัตโนมัติของสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันทั้งรูปและนามปรุงปุ๊บ ป, บ ป, บปบถ้าอาวิชาตามหลักปฏิสมบาติปรุงมาแล้วมันก็จะเกิดองค์รวมเป็นสังขารแล้วก็เป็นเวทนาสังขารนี่แหละคือเวทนามัน ป, ปรุงปุ๊บนี่เราเรียกว่าสังขารเสร็จแล้วมันงว่าเป็นอารมณ์หรือเป็นความรู้สึกรวมเรียกว่าเวทนาถ้าเพืไม่ได้ศึกษาก็ไม่ไปตามรู้เวทนา องรวมนั้นก็มีฤทธิ์คือสังขารมีฤทธิ์เป็นสังขารผีเป็นอง์รวมของพลังงานผีจัดการให้เราไปตามกิเลสเพราะกิเลสเป็นเจ้าเรือนกิเลสเป็นตัวหัวหน้าใหญ่เป็นแม่ทับมันก็บงการไปออกนอกเรื่องนอกราวหมดเราจึงสะพยายามจะมีสติเข้าไปข้างในให้ไปทำงานให้ไปรู้เท่าทันในจิตของเราว่ามันจะปรุงปรุงเข้าไปในนั้นแล้วมันมีอะไรปรุงกันอยู่บ้างตั้งแต่เป็นอารมณ์ ก็ตามอารมณ์ก็ไปรู้ว่ามีอะไรเป็นเหตุมีมีจิตเจโตปริยาณสิบหกเนี่ยมีจิตตั้งแต่สราคะสโทสะสะโมหะเนี่ยนั่นเป็นตัวกิเลสราคะโทสะโมหะก็จับอาการอาการลิงค์นิมิตอุเทศรู้นามารูปด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศอานัการให้ออกอ้ออันนี้อาการราคะอันี่คือตัวเหตุอย่างนี้เป็นต้นอัตมาจะอธิบายรัดรัหน่อยแต่ก็้วก็ละเอียดก็จะยาวอยู่บ้างแต่รัดรัดอยู่นะ มันทั้งหมดไม่ได้ลองเวลาอันสัน้น <c oughs> องค์รวมนี้เรียกว่ากายเพราะตายังกระทบรูปหูยังรับเสียงตื่นรู้ตามธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นี่เป็นกายแล้วก็จะต้องมีใจแล้วก็ร่วมสัมผัสร่วมรู้เป็นาธาตรู้ร่วมแล้วก็รู้อ่านอย่างที่ว่านี่อ่านเข้าไปหากายในกายองค์รวมเข้าไปยักนอกกายนอกแลก้วเข้าไปข้างในแล้วก็ไปพิจารณาอ่านวิจัยข้างในแล้วทำมาวิจัยสัมโพธิชงเนี่ยมีสติแล้วก็มีทำมาวิจัยสัมโพธิชง แล้วก็วิจัยจงกระทั่งเจอเหตุปัจจัยจนเป็นสมุทัยแล้วรู้สมุทัยจึงจะกําจัดผู้ที่สามารถรู้กายกายคตาสติมีสติควบคุมกายที่ดําเนินไปเลยว่ากายตาคตะกายคตาหรือกายคตาแล้วก็มีสติควบคุมกายคตาสติทุกอิริยบททุกรูปนามทุกดินน้ําไฟลมทุกกรรมกิริยาของเรา ทุ ก, กจิตที่มันกระต้มสัมผัสแล้วมันไปปรุงไปแต่งยังไงแล้วก็อ่านไปรู้เวทนาอ่านไปรู้ต้นตอ่อสมุดไทยให้ได้ตลอดเวลาเราต้องรู้นอกรู้ในนะเข้าไปอย่างนี้จึงเรียกว่าอจตังอรูปสัญญ้นยีเอโกหิทารูปานิปัสสติมีโมข้อที่สองนะีโมข้อที่สองนี่ที่เป็นองค์รวมที่ในองค์รวมของการปฏิบัติครบอยู่ข้อสอง ข้อหนึ่งหนึ่งบอกถึงเรื่องของรูปเท่านั้นเองรูปีรูปานิปัสติต้องสัมผัสรูปรูปรูปานิรูปทั้งหลายรูปีคนที่มีรูปคนที่มีรูปและนามคนที่มีรูปและนามมีกายทั้งและจิตมันก็ต้องมีมีรูปและนามรูปีเพราะคนที่มีรูปทั้งหลายก็ต้องอยู่กับรูปทั้งหลายเลยว่ารูปานิปัสติต้องเห็นปัสติแปลว่าเห็น ต้องเห็นเมื่อเวลาสัมผัสเพรางัพิโมกข้อที่สองนี่ท่านก็บอกชัดเลยว่าจะต้องรู้เข้าไปถึงข้างนอกจากข้างนอกพระหิธารูปานี้รูปทั้งหลายและข้างนอกเข้าไปถึงภายในอัจจริยแล้วก็กําหนดสัญญานะอารู ป, ปสั้นยีสั้นยีหรือสัญญาตัวกําหนดรูท่ารู้สัญญานี่เป็นตัวทํางานหนักทํางานตลอดเวลากําหนดรู้เข้าไปตั้งแต่นอกไปจนกระทั่งถึงในอัจฉริย์จนกระทั่งทุกขั้นรูปอารูป ตั้งแต่การแล้วก็รูปแล้วก็รูปการมาพบรูปมพรูปมพบรู้เข้าเคลียร์รู้ให้ทวรู้ตลอดเวลาแต่เป็นตามลําดับตั้งแต่นอกไปก่อนแล้วค่ค่อยค่อยรู้ไปหาในในยังไม่รู้ก่อนไม่เป็นไรละเอียดก็เอาไว้ภูงมาทําเรายังไม่ถึงเราเก็บไว้ก่อนทําข้างนอกกําจัดข้างนอกมาเรื่อย ๆ, ๆสามารถที่จะรู้ภาษาวิชาการก็เรียกว่ากายคตาสติกับอานาปานาสติ อาณาปานาสติแปลว่าสติที่มีทั้งลมในขณะที่คุณมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาณาอาปาะอาณาคือลมหายใจเข้าอาปาณะคือลมหายใจออกตลอดที่คุณยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือคนยังไม่ตายคุณต้องมีสติกำกับไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าแยกกายขตาสติกับอาณาปานาสติจากกัน ต้องทำงานร่วมกันต้องเกี่ยวข้องกันเสมอมีสติแล้วก็ต้องดูกายคตาสติปขายนอกคุณอยู่ในความเป็นชีวิตอย่างไรก็ต้องอ่านจากข้างนอกจน ก, กระทั่งเข้าไปข้างในแล้วก็รู้บรปรปรุงแต่งเรียกว่ากายสังขารนะก็ต้องรู้ให้ครบโดยว่ากายปฏิสังเวทีต้องรู้ในั่นแหละในในหลักของอานาปานสตินั่นน่ะหลักหก อาตมาไม่พูดแต่ว่าต้องรู้ลมเข้าลมออกต้องมีสติลู้ลมเข้าเข่าสั้นก็รู้เข่ายาวออกยาวอะไรก็รู้อาตมาจะไม่พูดอันนั้นมันเป็นเรื่องของการท่านบอกให้รู้ว่าคุณต้องรู้วินยัติการเคลื่อนไหวต่างๆออกก็ลักษณะหนึ่งต่างกับเข้านะยาวว่าลักษณะหนึ่งต่างกับสั้นนะให้รู้มุมเหลี่ยมของลิงคะความแตกต่างของทุ ก, ทกมุมทุกเลี่ยงทุกแง่ทุกเชิงให้ได้นั่นเองความหมาย ในขณะที่คุณจะมีการสัมผัสเกี่ยวข้องอยู่กับาธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่แต่ลมเพราะฉะนั้นในอาตาอาปาณสติท่านจึงกากับไว้ว่าลมเป็นกายนะเพราะเวลาเข้าไปอยู่ในพวังนะั้นมันจะรู้แต่แค่ลมนี่แหละเป็นหลังสุดเพราะคุณทิ้งกายไม่ได้นะกายนี่คือกองสังขารของลมกองลมที่คุณจะต้องรู้ว่าภายนอกทิ้งภายนอกไม่ได้แต่เขาเข้าใจความหมายพวกนี้ไม่ได้ และเขาเข้าใจลมจริงๆไม่ได้ก็เลยไปกลายไปสร้างลมข้างในนั่งสมาธิแล้วก็อ้าวแล้วก็ได้ยังไม่ทิ้งลมแต่เอามาลงขึ้นข้างบนลมลงข้างล่างลงลมว่าให้ตรวจไปทั่วตั ว, ตวแล้วเราก็จะสามารถรู้ตับไตไส้พุงเล่นยิเกไปหมดเลยไม่มีคำสอนพระเจ้านนะอาจารย์ไหนก็ไม่รู้มาสอนไว้แล้วก็พวกที่นั่งสมาธิใครเคยได้เรียนแบบนี้ใครเคยนั่งแบบนี้มั่งเขาสอนกองลมแบบเนี้ย นั่นแหละออกนอกรีดรู้เจ้าเลยแล้วก็นิยมชมชื่นกันแล้วก็บอกว่าในริดเก่งพวกนี้เป็นพวกเรียกอะไรเรียกเป็นเก่งทางวาโยะเก่งทางกองลมเขามีทั้งอักคีวาโยปัตวีอะไระะนั่นแหละเขาก็ไปเก่งเล่นมันเป็นพลังจิตที่รวมเขาใช้ได้ใช้ได้ไปทางทางนอกรีดนะ่ะ ไปทางอิทธิวิธีอาเทศนาไปเรื่อยไม่ได้เรื่องนะเราสามารถที่จะทำตามพระเจ้าสอนในอาณาปานาสติ16เนี่ยอัตมารัดไม่เอาลมเข้าลมออกทั้งรู้เนี่ยนะขอผ่านมาถึงกายปฏิสังเวทีรู้กองลมรู้กององค์งงประชุมของทั้งนอกนและในเลยว่ากายปฏิสังต้องรู้ให้ครบในกายสังขารแล้วก็ทำให้มรั ง, งับปัมพยังากายสังขารัง ต้องทำให้มันระ ง, งับระ ง, งับอะไรไม่ใช่กายคือร่างระ ง, งับให้มันกระดุกกระดิกหนักเข้าไม่ให้มีอะไรเลยจนกระทั่งลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ยังเป็นกายอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีลมหายใจต้องไม่มีรูหายใจก็ตายสิจ้าไม่มีลมหายใจมันเล่นบาบาพิจิตรพิเรนพิลึกเข้าไปได้ไงนะปัสจัมพยังไม่ใช่การสงบกายนั้นคือทําให้วัตถุสงบไม่ใช่กายไม่ได้หมายถึงวัตถุ กายในหมายถึงจิตงงสิกายคือจิตได้ยังไงเขาแยกกายแยกจิตกันยังอะไรดีกายนี่แหละคือจิตคือองค์ประกอบของทางรูปทางนามที่สัมผัสกันและก็รับรู้มาและตัวรู้นะั่นคือตัวจิตเป็นหลักเพราะงั้นกายนี่ไม่ได้ถ้าไม่มีจิตกายไม่มีถ้าไม่มีจิตกายไม่มีนะกายคือจิต กายนี่จะต้องเป็นองค์ประชุมของกายจริงๆก็คือองค์รวมของเวทนาสัญญาสังขารคือองค์รวมของเวทนาสัญญาสังขานี่คือกายหรือเป็นตัววิญญาณนั่นแหละคือกายเรียกเต็มๆว่ากายวิญญาณนั่นแหละกายองค์ประชุมของวิญญาณวิญญาณมีเจตสิกสามคือเวทนาสัญญาสังขารมันองค์รวมว่าเวทนาสัญญาสังขานี่แหละคือวิญญาณ ต้องไปอ่านคนคืออะไรทําไมสําคัญนักดีๆที่อาตมาแยกไว้ชัดเจนนะสรุปแล้วคุณต้องรู้กายนี่ก็ไปแล้วก็ต้องทําให้กายร ง, งับกายปัจจะพยังกายยสังขารังก็คือรู้จักตัวเหตุแข็งกิเลสในเวทนาก็คือจิตที่เป็นตัวสัตว์สราคาัสโทสัมโมหะที่มันเป็นอยู่มีอยู่มันประกอบอยู่เรียกว่าสัตว์ก็จับตัวนี้ได้เป็นสมุดไทย กำจัดตัวนี้กำจัดตัวนี้ได้ก็คือระ ง, งับกายระ ง, งับกายนี้หมายถึงทั้งข้างนอกด้วยหมายเอาทั้งข้างนอกข้างในรวมหมดเลยองรวมทั้งหมดเลยจึงเรียกว่ากายเมื่อทาได้สงบระ ง, งับได้ก็ไปรู้จักจิตสังขารเมื่อรู้จักจิตสังขารก็คือเอาเฉพาะตัวจิตนาตนี้เน้นก็ไปที่ตัวจิต เหลือรูปธรรมเป็นต้นอรูปธรรมเป็นต้นข้างในจิตแล้วนเน้นกับไปตแต่ก็ไม่ต้องทิ้งข้างนอกแต่เน้นสัญญาเน้นการกําหนดรู้หรือเน้นการศึกษาจิตอธิจิตศึกษาอาธิปัญญาศึกษ า, า, กษาเข้าไปสู่ตัวจิตก็เหมือนกันต้องรู้ให้ชัดเจนว่าจิตที่วิเคราะห์วิจัยธรรมวิจัยจิตเจตสิกทั้งหลายแหละจะแยกเป็น ร้อยยีจดจะแยกเป็น89อะไรก็ตามใจรือ้อจะแยกเป็นเจตสิก52อะไรก็ตามใ น, ในบทใครเรียนอภิธรรม ม, มั่งอัตมายังไม่ลงลึกถึงอภิธรรมด้านจิตอัตมาเอาแต่แค่กาย28ตอนนี้ขยายความกาย28ดนี่นอกจากมหาปุตรรูปสี่แล้วอีก24นั้นเป็นนามทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับกาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมตั้งแต่นอกประชุมตั้งถึงในสุดไม่เกี่ยวไม่ต้องไปพูดถึงข้างนอกเลยก็ได้จนถึงอิการรูปจนถึงลักษณะรูปนั่นนะมันเรื่องของจิตล้วนๆเลยที่รู้จักรักอยกเอาตัวจบเลยลักษณะรูปก็คือรู้จักว่าอุปจจะคืออะไรสัน ต, ติคืออะไรชรตาคืออะไรแม่แต่อริจตตาคืออะไรจบเลย ลักษณะสีนี้เป็นของพระอรหันต์จะต้องรู้การประมาณว่าคุณจะรู้อย่างอุปจัยยะอย่างไรจะให้อะไรเกิดอุปจัยยะจะให้อะไรเชื่อมต่อหรือจะตัดไม่เอาแล้วนี่ตัดตัดสันตติคุณก็ต้องรู้หรือจะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้มันต้องเสื่อมเป็นธรรมดาชรตาคุณก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันสุดวิสัยมันตงเสื่อมเป็นธรรมดาชรตาแล้วก็รู้ว่าองค์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันอเนิจจตามันเป็นลักษณะธรรมดาธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับอุปจัยยะแม้เราไม่รู้มันก็มีอุปจัยยะมันก็มีการเกิดแล้วก็มีการเชื่อมต่อหรือมันจะตัดคุณก็ต้องสามารถที่จะตัดหรือคุณจะต่อสัน ต, ติแล้วมันก็มีชราตาแล้วก็มีอนิจจตาเป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วก็อยู่กับสิ่งนี้เป็นต น, นสรุปแล้วอาณาปานาสติที่สามารถเข้าใจชัดใน องค์ต่างๆมานี่เท่าไหร่สิแล้วสิบสองแล้วเมื่อเราสามารถทําให้ระงับได้จิตสังขารังเป็นปัจจสมภยังจิตสังขารังให้จิตสงบระงับอีกในรูปในอารูปเมื่อจิตสามารถระงับได้อีกในรูปในอรูปก็หมดข้างนอกมาตั้งแต่กายสัมภะกายะปัจจสมภยังกายะสังขารังแล้วก็มาระงับจิตจิตให้ระงับเป็นปัจจสมภยังอีกในรูปในอารูป เมื่อระ ง, งับได้แล้วฐานที่ตั้งก็คือสองอย่างหนึ่งทำจิตให้ร่าเริงอภิปภปโมทยังจิตตังกับสมาตหังสมาตาหังจิตตังสมาตหังทหะนี่ที่เอาทหะมาเป็นฐานเนี่ยต้องกล้าแข็งสดทหะเนี่ยต้องแข็งแรงกล้าหานสดชื่นแข็งแรงสมาตาหังสดชื่นแข็งแรงกล้า ถ้าไม่จิต ก, ก็อาฐารแข็งแรงและสิทธิจิตเบิกบานร่าเริงอภิปะโมทยังจิตตังนั่นคือองค์ประกอบของอาณาปานสติส6หขันแล้วเหลือสี่อันนี้มันเข้าไปส2บสองแล้วเหลืออีกสี่คือคุณต้องรู้หนึ่งอ น, นิจอ น, นิจานุปัสสีไม่ใช่ไปรู้แต่ตอนนั่งหลับตาก็ไปรู้ว่าโอ้อันนี้ไม่เที่ยง ตามเห็นความไม่เที่ยงทั้งนอกและในทั้งตั้งแต่วัตถุก็ไม่เที่ยงเห็นหลัดหลัดมันไม่เที่ยงมันเปื่อยมันเสื่อมแม้นามารรมมันก็ไม่เที่ยงทับปัสเดี๋ยวนี้หรือมันเป็นอะไรเป็นอารมณ์เราก็ไม่เที่ยงเป็นเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นจิตก็ไม่เที่ยงเป็นธรรมะก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองมันไม่ตั้งอยู่ได้อย่างเก่าไม่ไม่มากขึ้นมันก็น้อยลง ไม่เที่ยงเพาะเรวนเวียนอยู่กัเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมากขึ้นน้อยลงอยู่อย่อยางนั้นเนี่ยนานาน า, น, า, น, านับชาติเมื่อไรก็เท่านั้นเห็นอนิจจังอนิจจานุปัสสีที่นี้มันก็เราสามารถทำปัจซัมพยังทําให้กิเลส จ, จางคลายสงบระงับลงได้คุณก็เรียนรู้ตามว่าเออคุณทําได้นะปัจสัมพยังวิจารวิราคานุปัสสีตามเห็นกิเลสมันจางคลายทําให้จิตต่างคายได้คุณก็รู้ว่าคุณมีความสามารถ ทำให้มันเกิดความสำรอกหรือชำระกิเลสจนมันดับนิโรธานุปัสสีก็ตามเห็นได้ว่าจิตมันดับเป็นอย่างนี้ในขณะมีภัสสะอยู่นี่ตลอดเวลาเลยนะคุณก็สามารถที่จะอ่านจิตได้ทําจิตให้ระ ง, งับทําจิตให้จางราษทาจิตให้นิโรได้เมื่อทําได้อย่างนี้แหละทําอีกทําซ้ําปัตินิสักขานุปัสสี ทำทวนทำซ้ําปฏินิสขาแปล ว, ว่าไม่มีสวรรค์แล้วเป็นอุเบกขาเป็นฌานสี่ละ ว, วางแล้วไม่ทุกข์ไม่สุขละไม่มีแล้วสวรรค์โลกีถ้าจะเรียกว่าสวรรค์โล ก, กุตระก็เรียกไปใช้ภาษาเข้ามาเรียกเท่านั้นมันเป็นความสงบเป็นบูพสมโมสุขเป็นสุขอย่างสงบระ ง, งับหรืออุปสมโมสุขมันไม่ใช่สุขอย่างโลกีที่มาบําเริกกิเลสแล้วก็ดีใจ นี่มันสงบระ ง, งับมันดีใจมันปีติเป็นเนคขมะสิตะโสมนัตเวทนาไม่ใช้เคหะสิตะโสมนัติเวทนาไม่ใช่เวทนาโลกีแต่เป็นโสมนัตโลกุตระเป็นเนคขมะสิตะโลกุตระคุณต้องแยกมโนป ว, วิจารสิบของเวทนาเป็นเคหะสิตะออกมโนป ว, วิจารสิบของเนคขมะสิตะออกอ่านอาการของเวทนาพวกนี้ออกอ่านอาการอารมณ์ ชัดแยกได้และก็ททำเนคกระมะได้จนถึงเนคกระมะคุณก็สามารถทำนิโรธได้แล้วก็ทำซ้ำเพื่อสร้างอเนญชาพิสังขารหรือทำการรักษาผลอ น, อ, น อ, นอนุระอนุรัาประทานทำโดยวิธีการอาเซวนาภาวนาพระหุลีกรรมังทำซำ้ำทำให้เสพคุณทำให้คุ้นเคยด้วยวิธีที่ทำได้นี่แหละเรียกว่าภาวนาไปเกิดผลสาเร็จ อาเสวนาภาวนาทําอย่างงี้ทําก็ไปทําก็ไปทำก็ไปพาหุริำกำมังทําให้มากทํำก็ไปให้มากมากมาก ม, ากมากจนมันลดมันเกินก็ไม่เป็นไรอส่วนมากมันจะขาดนะรีบตัดสินอหละอยากเป็นอหรหันต์เร็วไม่เอาเอาให้มันลดมันเกินเลยจนกระตั้งว่าอ๋อเนี่เราเป็นอหรหันต์แล้วเหรอคนมาบอกนะัะนนี่ถึงรู้ที่จึงเป็นมาตั้งนานแล้วเราก็ไม่ยอมตัดสินเองให้คนอื่นตัดสินให้ ก็ไม่ดีไม่เป็นปัญหาอะไรนะเพราะฉนั้นในองค์ประกอบของอาณาปานาสติ16นี่แหละคือเนื้อแท้ที่คุณจะต้องมีจิตมีปัญญาแววไวเป็นมุทุพุทธาที่จะสามารถสัมผัสมากกว่าวิจัยมีธรรมวิจัยสมโพธ์ชงเก่งเป็นมุทุทั้งเร็วในการที่จะรู้เร็วมีชวนาจิตอ่านไวรับไปและเจโตก็ดัดได้ไวปรบได้ไวจึงเรียกว่ามุทุพุทธะ ธาตจิตที่มุทุซึ่งอยู่ในองค์ธรรมห้าของอุเบกขาเนี่ยปริสุทธาประโยชนาตามุทุกรรมัญญาปภัสราเนี่ยพญานิจจิตจะบทเป็นสุดสะอาดอยู่รักษาผลก็คือปฏิบัติโดยองค์ธรรมห้านี่แหละปฏิสุทธาเวลาคุณปฏิบัติมีเหตุปัจจัยที่มันจะทําให้เรากิเลส ข, ขึ้นปฏิสุทธิประโยชธาตาคุณต้องทําให้มันขาวสะอาดอยู่เดิมแม่สะอาดอยู่ให้ได้อย่างเดิมนะ เป็นบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์ตาอยู่อย่างเดิมไม่ได้ทําไปปฏิบัติไปจิตคุณก็จะดีขึ้นเจริญขึ้นแคร้วครองขึ้นเวทนาทั้งห้ามันจะเวทนาทั้งเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นองค์อันนี้ก็จะเกิดน่ากายปฏิสัพ t ธิเกิดกายองค์รวมที่มันจะเกิดความระ ง, งับความสงบได้นากายกรรมญตากายปาคุณญตาอะไรต่างๆนาน า, นามันจะแคล้วครองมันจะว่องไวมันจะรวดเร็วมันจะเป็นมุทุธาตที่คล่องตัวเป็นมุทุภูทธธาตุที่สมบูรณ์แบบ แล้วคุณก็ใช้ความทําได้จัดได้นะมาประกอบกับการงานเรียว่ากรรมกรรมมัญญตาโดยมีอัญญาอัญญตาปัญญาขั้นโลกุตระเรียว่าอัญญาอัญญาสิวัฏโภคกนัญญนะนั่นแหละตัวยานปัญญาอันนั้นนะมันเจริญมันเก่งมันเป็นอธิปัญญาสิกขาที่เจริญขึ้นมาจริงตามลําดับบรารมีมันก็จะไปเป็นตัวควบคุมกรรมจัดการกรรม กรรมก็เป็นกรรมมัญญาตาเป็นกรรมมัญญะเป็นการงานอันดีอันเหมาะสมอันเหมาะวรอันได้สัดส่วนที่พร้อมไปโดยสัปริสธรรมเจ็พร้อมไปโดยมหาประเทศสี่ที่จะอยู่กับสังคมเขารู้จักความควรความไม่ควรรู้จักความประมาณได้สัดส่วนอย่างดีเลยทั้งอัตถัญญุตาธรรมัญญุตาอัตัญญุตามัตัญญุตากาลัญญตาปริสัญญตา ทั้งปุคละปรตุผยุตาิาครบบริบูรณ์แล้วก็ประกอบกับทุกอย่างที่เป็นเหตุปัจจัยใหม่พิจารณาได้ด้วยมหาประเทศสี่อะไรควรอะไรไม่ควรชัดเจนแล้วก็ทําการประกอบกรรมอยู่ตลอดเวลาอย่างได้สัดส่วนที่พอเหมาะพอดีทุกเวลาที่คุณสามารถตัดกิเลสได้ละกิเลสได้นั่นคือบุญบุญคือการชําระกิเลส บุญยะตัวนี้ตกปลองไม่รู้จักบุญคนไทยเอาคำว่าบุญมาเพี้ยนกลายเป็นกุศลบุญกลายเป็นความหมายของกุศลแปลว่าคุณงามความดีก็เลยใครก็อยากได้คุณงามความดีแบบโลกีก็เป็นคุณงามความดีแค่ขัดส่วมกับคุณงามความดีแล้วทำอะไรเล็กๆน้อยๆ อ, อะไรกับคุณงามความดีกายกรรมวัจีกรรมอะไรกับคุณงามความดี แต่บุญมันไม่ใช่กายกรรมวระจีกรรมเท่านั้นบุญมันคือรู้จักกิเลสแล้วทําให้กิเลสชําระ ก, กิเลสจากสันดานให้มันหมดนะเรียกว่าบุญสั้นตานังปุนาติวิโสเทตินี่คือคําแปลของคําว่าบุญแปลว่าในสันดานจิตสันดานท่านคุณเนี่ยคุณต้องชําระกิเลสปุนาติ ชำระ ก, กิเลสให้หมดจดหมดสิ้นวิโซเทติให้สะอาดเกลี้ยงให้หมดนั่นคือนิยามของคำว่าบุญหรือปุญญะแต่ทุกวันนี้ไปเป็นกุศลปุญญะหรือบุญเนี่ยเป็นศัพท์คำหมายถึงหน้าที่ชำระ ก, กิเลสไม่ใช่หมายถึงหน้าที่คุณงามความดีอย่างโลกีที่เป็นกุศล หมายความว่าหน้าที่ชําระกิเลสมันต้องเป็นความดีอยู่ในตัวอยู่โดยปริยายเท่านั้นเองบุญมันต้องความดีสิชั m p l กิเลสได้มันดียิ่งกว่าโลกีด้วยมันเหนือกว่าโลกีถ้าจะบอกดีมันไม่ต้องเรียกว่าดีเลยมันอภิบรมมหาดีมันยิ่งดีมันชําระกิเลสได้ชําระได้ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าปุญญาภาคหรือปุญญาภาคิยาได้ส่วนส่วนของบุญส่วนของการชรําระไปตามลําดับไปตามลําดับ ชำระได้หมดสิ้นอาณ า, า, าสะวรรค์หมดอ า, อาสะวะรค์มันก็สมบูรณ์เพราะงั้นคนก็จะรู้คุณจะรู้ว่าเออคุณทําการชาระกิเลสเป็นกิเลสมันลดคุณก็รู้กิเลสลดกิเลสบางจางเหลือน้อยคุณก็รู้เห ล, ลือน้อ ย, ออยไปจริงๆเรามีญาณเห็นความจริงไม่ได้งมง่ายไม่ได้คลําๆเดาๆเห็นแจ้งรู้จริงทุกอย่างเลยทางนามธรรมาชัดเจนรู้ไปตามจริงหมดเลยตามรู้วิราคาอนุ ป, ปัสสีนิโรธอนน ป, ปัสสี จนกระทั้งปฏินิสกานุปสีสสทำทวนทําให้มันแข็งแรงมั่นคงตั้งมั่นอนุรักษนาประทานสั่งสมสั่งสมความมั่นคงให้เป็นอนเนญชาพิสังขารไปเป็นการสังขารอย่างยิ่งเมื่อคุณสามารถละได้เป็นอั บ, บุญญาเป็นการไม่ต้องแล้วไม่ต้องชําระอีกแล้วเพราะชําระได้แล้วทําอย่างเคยเนี่แหละภาวนาประทานจนกระทั่งถึงอนุรักษนาประทานไป หรือว่าทำภาวนาให้มันได้มากๆเป็นพระหุลีกำมังไปทำให้มันเกิดอเนญนชาตั้งมันตกพลึกหัวแน่นแข็งแรงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามทังมังอสังหิลังอสังกุปปังอะจนแน่นดีนั่นแหละนี่คือวิธีกรรมมวิธีที่ปฏิบัติมีสติแล้วก็มีธรรมวิัยที่เก่งขึ้นเรื่อยแล้วก็มีวิริยะเป็นพลังงานเป็นแรงกล เป็นแรงกลเป็นแรงช่วยอย่างเต็มที่สมมาวายามะหรือพลังงานแรงเนี่เปรียบเหมือนต้นหนต้นหเนี่ยคุมเครื่องจะเอาแรงเอาเบาส่วนต้นกลนั่คือปัญญาปัญญารู้รอบมีสติรอบสติเป็นต้นกลส่วนวิริยะนี่เป็นต้นหนช่วยกันหรือสมมาวายามะกับสมมาสติสองอันนี่แหละต้นหนต้นกล ช่วยกันปฏิบัติอยู่ทุกเวลาในสติปัฏฐานสี่รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะที่เราได้สั่งสมธรรมะเป็นโล ก, กุตตรธรรมไปเรื่อยๆืยๆตั้งแต่รู้จักกายในกายประจน ก, กระทั่งถึงอุเบกขาส7สิบเจ็ดโพธิปักกียธรรมนี่แหละขอรวบรัดนะจะแจกไปถึงส7ิบเจ็ดในพอดีอีกถึงเย็นพอดีไม่มีเวลานะประเดี๋ยวก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะ สรุปแรกเราก็จะเกิดสัมมาสมาธิเกิดสัมมาวิมุตติทุกวันนี้มันไม่เป็นแล้วมันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์แม้แต่โล ก, กุตระข้อที่หนึ่งคือกายในกายคำว่ากายก็ไม่เข้าใจแล้วทุกวันนี้ก็ขอวิจารณ์นิดนึงว่าไปเข้าใจคำว่ากายนี่คือร่างข้างนอกเป็นสรีระคนนี้ศูนหมดทางที่จะบรุธรรม เพราะฉะนั้นคนไทยคนใดเข้าใจคําว่ากายะเนี่ยมาจากภาษาบาลีไม่เอาคําไทยนะคำไทยมันมาเป็น เ, เ, เรื่องถึงร่างกายแล้วร่างแล้วคําว่ากายนี่ ม, มันหมายถึงร่างโครงร่างข้างนอกหมดแล้วนี่เป็นภาษาไทยแล้วแต่บาลีเดิมของท่านนะมันแปลว่าจิตกายนี่คืออาการของจิตที่ทํางานร่วมกันกันกบดินน้ำไฟลม อยู่ร่วมกันกับตาหูจมูกดินกายเป็นที่มีประสาทถ้าตาหูจมูกดินกายไม่มีประสาทไม่มีประสาททรูปคุณก็ไม่ได้ใช้มันทํางานอะไรไม่ได้ตาไม่มีประสาทหูไม่มีประสาทเนีจมูกไม่มีประสาทก็ทํางานไม่ได้ถ้ามีประสาทแล้วมันก็ทํางานเรียกว่าโคจระหรืออวจรมันทํางานลงไปทํางานดําเนินการหรือขตาขติมันดําเนินการขึ้นมา ไปสัมผัสไปแตะต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรขึ้นมาก็จะเกิดการเป็นสังขารเป็นองค์รวมแล้วก็วิจัยสังขารกายสังขารไว้จิตสังขารจนเข้าใจในวิธีทาจิตเรียกว่าสังกัปะเจต์นารู้ว่าจิตมันเริ่มเลยนะมันมีอาการนํำดนีขึ้นมาปาบับถ้าเก่งก็จะรู้กัน ดลิแยกได้เป็นห้ามีอรัถปฏาจารัมปาตนิกรรมธาตุปรกรรมธาตุธรรมธาตุนิติธาตุทิฏฐิธาตุและกับอสุดท้ายอุปกรรมธาตุเป็นธาตุความพยายามที่เต็มทั้งห้ามีอรรถปฏาอารัมปฏาจานิกรรมธาตุปรกรรมธาตุ เจ็ใช่ไมใช่ะอารัปธาต์อารัมพธาธาต์นิกรมธาตอันนี้อยู่ในสามเศร้าเนี่ยปรักระมะาธาต์เริ่มใหม่ละปรักระมธาต์แล้วะกะ็ะาธามธาตเป็นกาลังทิติาธาตเป็นตัวตั้งเป็นฟัลคมเป็นตัวยังยืนเป็นแรงเป็นบวกให้าาธาตมธาตที่เป็นลบเนี่ยทำงานเป็นพลังงานอีกเศร้าหนึ่งสาประกะะาักรมธาต์ธรตมธาต์ทิติาธาต ตกลงก็เกิดมาอันที่ 7, เป็นเป็นอุ ป, ปรกรรมาธาตุเป็นาธาตุแห่งการดำเนินการคระพุก็จะเกิดพลังงานแบบนี้จริงๆตั้งจากข้างในออกมาเรื่อยๆเพราะฉั้นเริ่มดําริตั ก, กและคุณก็มาจัดการทำวิจัยจับให้ทันแล้วก็รู้มันสังขารวิจัยในสังขารจนรู้เหตุจัดการกับเหตุได้ดับกิเลสลงไปได้ก็เรียกว่าวิตัก โดยคุณทำให้เกิดวิตกวิจัยวิจารวิัจมันโดยทำมาวิจัยจนกระทั่งสามารถทำให้มันกิเลสลดได้ก็เกิดวิจาระเป็นพฤติกรรมอันวิเศษกาจัดกิเลสได้จากมันเริ่มตักกะมาคุณก็ทำงานวิวินี่คือการทำอะไรที่ไม่ควรจะมีกาจัดทำให้ดีขึ้นเรียกว่าวิเศษเพราะวิมีสองความหมายหนึ่งกจัดสองเจริญ วิเศษวินี่ความหมายอันนึงเจริญขึ้นความหมายอันนึงคือทําลายกําจัดไปให้ได้ในตัวเองวิมีความหมายสองอย่างเพรอวนวิตักกะก็คือสามารถทําให้จิตที่ดำริมาเนี่ยจัดการทำมาวิจัยแล้วก็กํากจัดประหารกิเลสหมดได้สําเร็จลงเป็นสังกัปปะองค์รวมของความคิดในองค์สังกัปปะเจ็ดเสร็จแล้วก็มาที่อัปปนาเป็นต้นทุนมาบวกลบคูณหารก็ต้นทุนที่มีจิตอยู่ตรงนี้แล้ว ตัวนี้เป็นองค์ทำใหม่ที่จัดสรรมามาบวกลบคุณานทั้งนี้ก็เป็นตัวนํามาเลยนํามาก็มาคุยตกลงเงนกับไอ้เจ้าทุนอับปนาเนี่ยถ้ามันต้นทุนมันมีกิเลสมากก็สู้กันหน่อยถ้ากิเลสน้อยก็ตกลงกันง่ายขึ้นถ้ายิ่งกิเลสน้อยเลยก็ง่ายขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้นก็จะผ่านฉลุยมาเป็นพยาปนาอับเจตโซพิเนโรปนามาเป็นขั้นๆต่อรองมาหลายขั้นนะจนกระทั่งสะอาดมา สมมุติว่ามันทำได้เก่งปลอดมาผ่านทุกด่านมาถึงก็มาเป็นวจีสังขารเป็นการสังขารในจิตยังไม่ใช่วจีกรรมนะยังไม่ได้ออกมาเป็นกรรมทางวาจาแต่เป็นจิตตสังขารที่เกิดวจีสังขารด้วยกรรมวิธีของการอภิสังขารตั ก, กะาวิตกาสังกปัปะอปนาพยา ป, ปนาเจตโสปนิโรปนาบวกลบคูณหารกันเสร็จพ้นที่ ได้เป็นผลลัพธ์ออกมาก็เป็นวัจจีสังขารช่นบอกว่าอย่างนี้ทําอย่างนี้โดยไม่มีตัวกิเลสเข้ามาร่วมแล้วนี่สมมุติว่าทํากิเลสละกิเลสได้มันก็จะเกิดการปรุงแต่งเป็นวัจจีสังขารที่บริสุทธิ์เท่าที่โดยเองละได้จริงก็รอแต่ว่าจะสั่งออกมาเป็นกรรมข้างนอกเป็นวัจีกรรมหรือเป็นกายกรรมองครวมหรือกรรมมันตะหรือไปประกอบอาชีพเลยก็อยู่ที่นี้ จะให้ออกมาเต็มหรือว่าอันนี้จะอนุโลมก็อยู่ที่เราอนุโลมก็หมายความว่าทากับคนนี้คุณจะต้องมีกิเลสร่วมบางเกยวนให้เขาแต่ตัวเองต้องบริสุทธิ์อยู่อย่างเดิมนะแต่เวลาจะออกมาเป็นวจีกรรมก็คือคาอนุโลมจะออกมาเป็นกรรมต่างๆกรรมบรรตะก็คุณอนุโลมเขาไม่ใช่ของคุณมาชั่วข้างนอกไม่ใช่คุณมาเป็นกายกรรมชั่วเป็นวจีกรรมชั่วไม่ใช่ คุณอนุโลมให้แก่เขาเอารากคุณจะต้องอา้าวคุณจะต้องมีกิเลสร่วมขนาดนี้บ้างก็ยอมตามฐานะบุคคลจึงเป็นการทํางานกับสังคมโดยเราเป็นผู้จัดสรรทีนี้การจะยอมอนุโลมไม่อนุโลมได้เท่าไหร่คุณก็จะต้องมีพลังที่จะมีการจัดสรรได้ถ้าคุณอ่อนแอคุณก็จัดสรรไม่ได้ไอข้างนอกมันยั่วมากมันแดงมาก คุณก็ยังมีลาบยศสันเซิญมันทําให้คุณจะต้องอ่อนแอมากคุณก็ปอแปแต่ถ้าคุณแข็งแรงคุณก็บอกโหยัวเท่าไหร่ก็ไม่มีขึ้นหรอกอต่อให้เป็นานางอรารตินางวิรัตนางอะไรอรตีนางเทิงสามนางราคะอรตีตันหานางราคะตันหาอรตีสามนางแรงเท่าไหร่ก็ ไม่กระเทือนไม่กระตุ้งเดินไม่มีการวันไหวเลยนั่นก็สมบูรณ์ถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ไหวได้จริงเป็นสัจจะนะเราก็จะรู้เวลาปฏิบตัติมีธรรมวิจัยมีสติรู้ตลอดเวลานะมีสติสัปพัญญาปัญญานะมีสัม ป, ป ช, ชัญญะรู้ตามแล้วนะเราก็ระมัดระวังจัดการตลอดเวลาสัม ป, ปาเทตินะสัม ป, ปั ช, ชติสัม ป, ปัชลติของเราจิตของเรามีสติมี เจตสิกอื่นร่วมทําไปตามพระพุทธเจา้าแจกไว้นี่อาตมายังไม่แจกละเอียดมากนะนะสัมปชานะสัมปสัมปชาณะสัมปาเทติสัมปัจฉติสัมปัจฉลติสัมปันตะสัมปันนาอะไรนี่โอ้ยังมีละเอียดกว่านี้เยอะอาตมาเอามาแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนแจกมาไว้แค่นี้ก็เมื่อยแล้วละเอียดกว่านี้ของอาลีท่านเนี่ยโอ้มากนะให้รู้ขั้นว่าจิตมันจะเกิดการตรวจสอบ เรียนรู้แล้วก็จัดการให้แข็งแรงหรือกําจัดสิ่งที่มันเป็นธาตุอกุศลลงไปได้จริงๆจนบรรลุเรียกว่าสัมปตะแล้วก็สัมป น, นะสําเร็จผลสัมปนโนเรียกว่าเข้าถึงหรือบรรลุสูงสุ ด, สด น, นี้เป็นต้นก็จัดสรรจิตของเราอย่างนี้ไม่ใช่พยัญชนะอยู่ในตําราเท่านั้นแต่เราจงรู้ว่าจิตของเราได้ทําตามพยัญชนะพวกนี้ ถูกต้องไหมทำได้ไหมถ้าคุณสามารถทำได้จริงคุณก็จะรู้ว่าคุณทำได้ทำยังไม่ได้ น, ะนี่แพ้มันคุณก็จะต้องรู้คุณโกหกตัวเองคุณก็โกหกคุณหลอกตัวเองหรือว่าคุณไม่ไม่เอาให้ชัดๆคมงให้เป็นโยนิโสให้ท่องแท้ให้แยกคลายให้ละเอียดทั้งปณิตาทั้งนันิปุนาให้ละเอียดสุขุม plen ิดละเอียดจนกระทั่งถึงขั้นนิพานนิปุนาน ก็สอบเลยคุณก็จะละเอียดละออแล้วก็ทำให้มันปัดซ้ำพยังทำให้สงบระ ง, งับได้เก่งได้เรียบร้อยได้หมดนะเพราะการปฏิบัติพวกนี้ที่อาตมาหยิบแต่ละสูตรเอามาร้อยเรียงให้ฟังย่อๆสั้นๆนี้ก็คือครรมวิธีจะ ต, ต้องรู้สังกัปปะเจ็ดจะต้องรู้เวทนาร0อยแปดจะต้องทำด้วยหลักของในการสร้างสมา สมาธิในมหาจัตตารีสกสูตรไปทําความเข้าใจดีๆเถอนะนะเมื่อรู้มิจฉารู้สมาแล้วต้องเข้าใจสมาธิสิบถ้าไม่เข้าใจสมาธิสิบเข้าใจว่าทานแล้วก็ทําใจในใจยังไงเรื่องามรณะสิการหรือมรณะสิกโรติจะทําใจยังไงทานเพื่อจะเกิดบุญจะได้ชําระกิเลสแต่ทุกวันนี้ทําทานมันเพิ่มแต่กิเลสแต่มันไม่ได้ลดกิเลสมันทําใจอยากได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หวังมากขึ้นมากขึ้น ทำทานแบบนั้นมีแต่นรกมีแต่จิตพองโตขึ้ น, นเรื่อยๆไม่ได้ลดกิเลสเลยทานก็มิจฉาแล้วไม่ได้ผลต้องได้ฌานยิ่งยึดถังกรรมวิธีของการปฏิบัติเพื่อลดกิเลสก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเป็นกรรมวิธีนอกรีกกันทั้งนั้นไม่เข้าเป้าเลยไม่ได้เรียนตามจะต้องสัมผัสแปะต้องเรียนรู้ใช้มรรคเจ็ดอง เรียนรู้ตั้งแต่ผัสสต่งตางๆาหูจมูกดินกายกรรมทั้งสีไม่ว่าสังกปะวาจากรรมมันต่าอาชีวะก็ทํางานในกรรมทั้งสี่นี่แหละมีนอกมีเข้านอกข้างในเราก็รู้ทั่วในรอบไม่ได้อย่างนี้เลยปฏิบัติสมาธิเป็นนั่งหลับตาสะกดจิตทุกคนในพวังอย่างที่มันมีคลองโลกสมาธินั่งหลับตาสมาธินี่มีคลองโลกฤาษีเป็นเจ้าของไม่ใช่ความรู้ที่เจ้าเป็นอุปการะถ้าเข้าใจสมาธิถือเขาใช้เป็นอุปการะได้ อยู่ในภ า, ภาคภาระหวังอยู่ในภาคไหนก็ใช้ได้นะอาตมาคงขยายความถึงฌานในภาระไม่ได้วันนี้มันไม่มีเวลานะเพราะนันสามารถที่จะเรียนรู้เข้าไปถึงขั้นตอนของกาเมพบรูปพรูปพแล้วก็ละกิเลสสรุปลางไปตามลำดับได้งามเบื้องต้นท่ากลางบันปลายเหมือนฝั่งทะเลนะ ลาดลุ่มมือนฝั่งทะเลไม่คลุกคลักไม่สับสนปนไปปนมาวกวนไปตามลำดับอย่างสวยงามเป็นลำดับเมื่อต้นทากลางมันปลายไปไม่ต้องมาเก็บตามหลังไม่ต้องวกวนมาเก็บตามหลังได้เป็นลำดับไปเป็นฐานให้เลยเป็นที่ตั้งเป็นฐานให้เสริมหนุนไปเรื่อยๆทำงานให้มันละเอียดและออถูกต้องไปตามลาดับเถอะเราก็จะเป็นผลสูงสุดตั้งแต่โลกอบายนะ โรคอบายที่เป็นหัวหน้าเรียกว่าอบายมุกจงกระตั้งเหลืออบายที่เหลือรู้จักวิธีการทําให้อ๋อกิเลสตัวนี้ทําให้มันลดได้อย่างนี้โอ้กิเลสตัวไหนก็แล้วแต่ที่อยากที่คุณเอามันเลยตัวนี้แหละเอาจับตัวนี้ให้มันจากสิ่งที่บอกว่าโอ้อันนี้มันเป็นอบายมุกแม้จะเป็นพยัญชนะที่พระเจ้าท่านตรัสสอนไว้หรือกิเลสกามตัวนี้ของเราแรงเราก็เอาตัวนี้โทสักตัวนี้ของเราเนี่ยมันแรง ข้าวโทรศัส์ตัวนี้ยิ่งมีคู่อาคาตเลยเราก็ต้องรู้เลยว่าคู่อาคาตใหม่เจอคนนี้เราจะต้องปฏิบัติอย่างสำคัญแม่นายคนนี้เนี่ยเป็นอิบากศัตรูกันมากี่ชาติก็ไม่รู้เจอหน้ากันไม่ได้เราจะกัดกันจะต้องฆ่ากันให้ได้เราก็ต้องตั้งใจเลยว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้ต้องอาโหสิต้องใจดีต้องพยายามเพราะมันจะเกิดอาการขึ้นมาแรงไงสัมผัสสัมพันธ์เมื่อไรเจอหน้าเมื่อไร มันต้องจับทันแล้วคุณจะต้องอ่านแล้วคุณจะต้องอย่างน้อยวิค้ำพนัประหารกดมันไว้ขมมันไว้ก่อนแต่ถ้ายิ่งรู้ทันรู้เท่าทันมีปัญญามีวิปัสสนาญาณก็โอ้เราก็รู้ตัวเราก็ค่อยว่าโอ้จะไปจองเวรจองกรรมเนี่ยมันไปยึดมันถือมันมันดึงเที่ยงไปยึดมันทําไม้ไปจองเวรจองกรรมกันทําไมแล้วก็แล้วกันไปอะไรกูก็ใช้อะไรต่างๆนานาที่จะวิเคราะห์วิจัยอะไรเหตุผลมันชัดเจน คุณต้องใช้อาการของจิตที่มันมีอาการว่าเอออภัยเป็นอย่างนี้ยเลิกอย่าไปจองเวนอย่าไปถือสาเขาทํำไปแล้วไปจบไปแล้วมันเป็นกรรมแล้วเป็นวิบากไปแล้วจบอย่าไปสร้างกันอีกอย่าไปต่อกันอีกมันทุกข์กันจนกระทั่งวันนี้เจอหน้ากันก็ไม่ได้สุขเลยก็เอาเท่ให้มันสุขเราให้ว่างให้ว่างไปคุณก็ว่าไปปฏิบัติจริงลดละไป หรือไปปฏิพัติส้มสูกลูกไม้อะไรก็แล้วแต่อาหารอันนั้นอันนี้โอ้ยสารพัดจะชอบมันจะชังมันอะไรก็แล้วแต่อ่านจิตของเราที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเครื่องกินเครื่องใช้บุคคลตัวตนเราเขาสัตว์ทั้งหลายวัตถุแต่งก่อนดินน้ําไฟลมสัมผัสอะไรคุณนะใครเคยโกรธแต่หลิวมั่งไม่แต่หลิว อ, อันนี้มันไม่ช่วยเราเลยมันไม่ชอบเลยทำํำไงมันไม่ได้ ไม่ทาทีไรก็ไม่ได้ดังใจเลยขาะมันจนกระทั่งมันหักก็เลยยิ่งไม่ชอบใหญ่เพราะมันหักเพราะคุณไปทํามันเองมันไม่ถูกใจทําไม่ได้ดังใจนะจนมันหักก็หาใหม่ได้มาใหม่เออข้อยังชั่วหรือได้มาใหม่ยิ่งหนักกว่าเก่าสวยไปเลยนะจองเวีนสตัดทิ้วแต่ริวอันที่อันที่แล้วจดพังไปแล้วไม่พอได้มาใหม่จองเวีนมันอีกไม่ชอบใจอีกเวีนเวียนยืดมั่นถือมันจะดองเอาตามใจกูแต่ริวมันรู้เรื่องอะไร นี่คือความโง่ของมนุษย์เห็นไหมมันโง่ไม่เสร็จเลยโง่แล้วก็สร้างกิเลสตัวเองหนาเข้าไปอย่างเก่าจากแต่เหลียวอันเดียวคุณก็โง่ไปเท่าไหร่นี่พูดแต่เหลวเพราะผู้หญิงเยอะ น, น, นี่คือสิ่งต่างๆที่มันเกิดกระทบสัมผัสแล้วมันเกิดอาการราคะหรือโทสะให้แก่เราเราก็ต้องรู้มันแล้วก็กําจัดมันให้ทันจากโลกอบายมุกมาเหลืออบายอีกเท่าไหร่ในเศกิทาคามีคือรู้จัก โครงสร้างของการละกิเลสแล้วเนีรก่าโซดาบันทํากิเลสลดเป็นแล้วก็เอามาทาต่อที่นี่ก็เป็นอบายของเราไอเรื่องจัดที่สุดแรงที่สุดของเราทำไปแล้วอบายมุกของเราอบายอื่นๆมันจะมุกไม่มุกกมวากันไปตามลำดับเลยทีนี้ก็เลือ้อเบาลงมาเบาลงมาใช่ไหมส ก, มกิทาคามีคุณก็ทาไปตามสูตรหรือโครงสร้างที่คุณทาเป็นแล้วทาไม่จนจะต้งกา ม, มาพบ ลดลงไปให้ได้เอาตอนนี้รัดเลยสมมุติว่าลดได้แล้วเป็นอนาคามีเป็นอนาคามีก็ไม่ได้หลับตาก็เห็นดินน้ำไฟลมมนุษย์สัตว์ทั้งหลายและวัตถุแต่งก่อนดินน้ำไฟลมทุกอย่างอยู่นี่แหละสัมผัสอยู่นี่แหละแต่กิเลสในการมาพบของเรามันหมดแล้วมันกระทบยังไงย่อยวน ย, ย, ยังไงมอมเมยังมันก็ไม่ขึ้นมันมีแต่อยู่ข้างในมันอยู่ข้างในตัวเองนี่คุมได้ไม่ออกข้างนอกเรียกว่าอนาคามี ข้างนอกมันไม่นะทำแล้วมันมีจิตรู้ดีหิริเต็มโอตปะเต็มนัม่นไม่เอาข้างนอกอย่ามาทําพฤติกรรมข้างนอกมันไม่เอาแล้วมันเหลือแต่ดริกรีอยู่ในจิตเป็นรู ป, ปราคะอ่าารู ป, ปราคะที่ยังไม่ถึงมานะอ่าที่เป็นจิตถือดีได้ดีแล้วถือดีมานะหรือหมดมานะแล้วเหลืออุทจะ เศษทุลีละออกทุกเก็บกวาดให้หมดจะเป็นอักกินจัญญายาตนาที่คุณจะต้องดูแลตรงนี้อุตจักเนี่ยก็ค่อยๆทำไปตามลาดับหมดอุตจักรก็ทําให้มันชัดเจนจนกระทั่งคุณแจ้งใจพนเนวสัญญาณาสัญญาญตระจึงจะพ้นอวิชาสวะหรืออวิชาอาวิชานุใสหรือพน้นสังโยชตสุดท้าย อ, า ว, อ, าอาวิชาสังโยชตซึ่งจะจะบริบูรณ์ดังนี้เป็นต้นก็เข้าไปตามลําดับตามลําดับตามลำดับ องประชุมตั้งแต่นอกจนกระทั่งถึงองค์ประชุมของรูปธรรมรูปรจิตจนองค์ประชุมของอรูปรจิตไปตามลําดับคุณก็สามารถที่จะทําให้กิเลสนั้นหมดได้โดยยังเหลือกายอยู่ทั้งหมดสัมผัสแต่ต้องรู้หมดเลยข้างนอกกัยังรู้ครบแต่กิเลสมันก็ลดไปตามลําดับจนถึงอรูปหมดอรูปก็เป็นพระอระหันต์จอยอ่ครบ กิเลสหมดก็เป็นพระอาหารหันเลยเพระาะฉะนั้นการปฏิบัติเหล่านี้ในโพธิปกริรธรรมจึงยืนอยู่บนฐานของโพธชงเจตกมักองแปดนะมักองแปดนั้นเป็นอิทธิภาวะโพธชงเจตเป็นปุริสภาวะเป็นตัวบงการเป็นตัวจัดการส่วนมักองแปดนั้นเป็นตัวสร้างเรื่องอาชีพมันก็สร้างเรื่อง กรรมมันตะกรรมกิริยาต่างๆมันก็สร้างเรื่องอิทธิภาวะเนี่ยเพศหญิงเนี่ยมันสร้างเรื่องในอาชีพมันก็สร้างเรื่องการงานทุกอย่างมันกสร้างเรื่องวาจามันยิ่งใเก่งใหญ่เลยผู้หญิงเนี่ยอิทธิภาวะมันสร้างเรื่องตัวมรกองแปดทั้งสี่ในสังกปัปวาจากรรมมันตะอาชีวะนี่เป็นอิทธิภาวะเพราะฉะนั้นเราก็ทําไปทีละระดับไม่ใช่ไปดับความเป็นผู้หญิงหมดหรืออิทธิภาวะหมด ก็เป็นสัดส่วนที่ละลำดับเบื้องตนทํากลางมันปลายไปตามลําดับวิจัยให้รู้จริงรู้ตัวเหตุจริงดับตัวเหตุจริงไปตามลําดับโพชงเจตเป็นตัวจัดการสติสัมโพชงธรรมวิจัยสัมโพชงวิเดียสัมโพชงทําได้แล้วเออได้ดีแล้วก็ดีใจเป็นปิติก็ลดปิติอี ก, กเออทำได้ดีแล้วสงบระงับเออดีแล้วได้สงบระงับปัจสัตธิ ก็รักษาไว้สั่งสมลงไปให้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆสั่งสมไว้ก็เป็นสมาธิจิตก็เป็นสมาธิสัมปช ong จนกระทั่งเก่งรู้ไปถึงขั้นอุเบกขาถึงขั้นฐานนิพพานฐานไม่สุขไม่ทุกข์ฐานวางเฉยเป็นเนขมาสิตาอุเบกขาได้นั่นแหละคุณก็รักษาพ้นไปแล้วก็ปฏิบัติเพิ่มเป็นอัธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปตามลําดับเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามลำดับตามลําดับตามลําดับตามลาดับ คุณก็สามารถที่จะทำได้ถูกต้องตามลำดับโดยไม่ทิ้งคำว่ากายและมีประสิทธิภาพของใจมีประสิทธิภาพของอาณาปานาสติมีความรอบรู้รอบท้วนชัดเจนทั้งในการกายขตาสติด้วยการปฏิบัติสติปัฏฐานสกายขตาสติอาณ า, าปานาสติกับสติปัฏฐานส เป็นสเศร้าสามหลักใจที่ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เป็นตัวจัดการในกายขตาสติกับอาณาปานาสติซึ่งเป็นภาคในภาคใจกับภาคกายคือองค์รวมทั้งหมดกายกับใจแล้วสติปัฏฐานสีคือโพชงเนี่ยจัดการทำให้มันเกิดผลได้ก็จะเกิดการบรรลุธรรมถูกต้องครบครันเป็นสัมผัสวิโมกแปดด้วย กายจนได้ฌานสี่องสามของวิโมก8คือรูปปฌานองค์่ของวิโมก8คืออรูปฌานก็เก็บรายละเอียดตรวจสอบอากาสร้างนันจา ย, ยตนะวิญญาณนันจา ย, ยตนะอกิจจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญาจตนะโดยการรู้จริงเลยว่านี่ว่างสภาพว่างนี่คือรูปวิญญาณนันจา ย, ยตนะ สภาพวิญญาณนันจายตนนขึ้นนามคืออธาตุจิตของเรามันสะอาดส่วนความว่านะมนคือสภาพว่างว่างโปร่งใสน่ว่า ง, ป, ง, าางปราศจากอะไรที่ติดขัดได้ย ก, กอากาศว่างส่วนอวิญญาณนันจากขาตรวจสอบนามมาทำจิตของทูงนะั้นสะอาดนะสะอาดจากอะไรสะอาดจากกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะยันเหลือเศษเป็นรูปฌานมาแล้ว มันก็เหลือเศษเท่านั้นแหละอากินจัญญาจตนะไม่ให้มีนะเศษไม่มีนะเศษจะน้อยจะเล็กจะนิดจะหน่อยแค่ไหนก็ไม่ให้มีอากินจัญญาจตนะก็ตรวจเศษที่เหลือนั้นแล้วเอาออกให้เกลี้ยงให้ได้สามารถตรวจได้มีสัมผัสนะมีเกี่ยวข้องแต่ต้องจริงๆนะคุณมีฐานชารรูปประชานแล้วนะที่พูดเนี่ยแล้วก็ถึงตรวจสอบเก็บรายละเอียดด้วยรูปประชานเนี่ย เพราะอากินจัญญาญตระนัสามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้อีกหมดครบอากาศก็สมบูรณ์สะอาดว่างว่างสบายวิญญาณก็สะอาดใสสิ่งที่เป็นเศษธุลีละอองอะไรที่เหลืออีกไม่มีเนวัช ญ, ญานาสัญญาญตนะต้องรู้ทุกอัตตาต้องรู้ทุกสัญญาอ่านให้รู้เลยสัญญาเวทยิตตังเข้าเคลียอารมณ์เข้าเคลียเวทนาร้อยแป มโนปวิจารร้อยปเคหัสิตะมโนปวิจารเนคขมะแถมทําซ้ําทํำซากทําอีกด้วยทุกกาละอดีตสั่งสมเป็นผลปัจจุบันนี่แหละทำสั่งสมเป็นผลอดีตทั้งมโนปวิจารสามสะทั้งเคหัสิตะก็ยังมีอยู่และเนคขมะก็ยังมีอยู่เป็นโลกุตระจิตจิตอยู่เหนือโลกเคหัสิตะคือโลกโลกุตระคือเนคขมะอยู่ด้วยการเหนือ มันมีอยู่ไม่ได้หนีแต่มีอิทธิพลมีภาษีมีอำนาจอยู่เนื้อจริงๆนเนื้อสิ่งเหล่านี้ทําตรวจสอบไปทําซ้ําอาเสวนาภาวนาพระหุลัยกัมมังหรืออาเนนชาพิสังขารทําไปให้อันดีตนั้นสะสมไปตั้งมันตั้งมันตั้งมันตั้งมันตั้งมันทุกปัจจุบันทุกลีลาทุกท่าทางทุกแบบทุกท่ามามาทีเพลอไม่ทีเพลอจัดการได้หมดกิเลส หมดศูนย์ศูนยจนมันไม่เป็นอื่นเลยเป็นอื่นไม่เป็นเลยปัจจุบันกับอดีตเป็นตัวชี้บ่งว่าอนาคตต้องศูนย์เพราะฉะนั้นในอวิชชา8ส่วนอดีตส่วนอนาคตและข้อเจส่วนอดีตทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตของทุกสมุดไทยนิโรธมรรคอวิชชาสี่ข้อตน้นข้อที่ห้าส่วนอดีตข้อที่หส่วนอนาคต ข้อที่เทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าเอา้าอดีตข้อห้าอนาคตก็6แล้วข้อเจ็ดทำไมทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตอีกซ้ําทําไมมันมีไวยะหมายถึงตัวที่หกตัวที่7ดเนี่ยคืออดีตและอนาคตเนี่ยเปนตัวเดียวกันคือศูนย์เพราะจะ ก, กระทบสัมผัสจะเกี่ยวข้องยังไงยังไงยังไงมาไอตัวนี้นี่คือตัวที่7ดนศูนเช่นตัวที่8ของอวิชชาหนั่งคือปฏิจสมบัติ าไว้วันหลังคยพูดเึงกับปฏิสุบาทตอนนี้อาตมาอธิบายปฏิเนี่ยปฏิสุบาทเล่ม16เนี่ยอ่านดีๆต้แต่หน้าต้นจนหน้าสุดทา้ายนี้การอธิบายปฏิสุบาททั้งนั้นเลยนะราะเมื่อสามารถทำให้เกิด อ, อ, อ, อดีตกสูนโดยทุกปัจจุบันนมานท่าทางไหนเรียกว่าเราสร้างทวนปริสุทธาประโยธาตามุทุกกรรมัญญาประรายอย่าง ทำนาแคข่วคลองหมดเลยในวรยุทธปฏิสุทธาประโยทาตามุทุกรัมรมัญญาปพัสราเก่งแล้วเรียบร้อยจนกระทั่งเป็นจอมยุทธศัตรูมายิ้มศัตรูตายเลยหนักเข้าศัตรูมาสัมผัสระปับไม่ต้องทำอะไรเลยมองอย่างเดียวศัตรูงอก่องอคิ้งลงไปเลย สัมผัสเราไม่ได้เลยสัมผัสเราตายทันทีนี่คือจอมยุทธที่เก่งที่สุดไม่ต้องทำอะไรศัตรูมาสัมผัสเราตายทันทีหรือยอมสยบทันทีนี่สุดยอดแห่งวรยุทธ์เอาภาษากำลังภายในเอาภาษาหนังจีนมาพูด น, นี่สุดยอด เพราะงั้นผูดด้ใดสามารถที่จะทำได้ดังกล่าวนี้ใครว่าไม่เป็นอหรหันต์ก็ช่างมันจบอัตมาตอบยาวแล้วข้อนี้ตอบยาวจนใบนิวไม่ดังเลยเอาเอาเอามา<ส>เปลี่ยนให้ไหมเอามาเปลี่ยนให้ดีเร็วมีอะไรไหมมีตัวอื่นไหมอ่า มันเสียแล้วนี่เนี่ยของจีนแดงใช่ไหมต้องไปถามต้องไปถามอาจารย์ขอโทษเธออับพอภัยเธ่ไปว่าจีนแดงเขาน่ยของเขาแพร่หลายไม่ใช่อะไรหรอกของเขาเดี๋ยวนี้ตีตลาดโลกมันแพร่หลายาก็เลยบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะอะก็ทักเพราะว่าของจีนแดงใช่ไหมพ้นแพรแ่หลายเนะี่ยคนเราก็มันต้องได้แต่มันของมันเยอ ะ, อะที่ได้มานี่ไม่ได้เลี่ยงนะ ที่จึงไม่ได้เจตนาจะว่าคองเขาหรอกคองเขาแพร่หลายจริง อ, อ้าวอะไรฐานหมดเลยหรอโอ้โหอัตมาดูดพลังงานจากฐานนี้มาหมดเลยจนไม่ให้มองเขียวพูดเลยอัตมาเอามาคนเดียวเลยเวลาปลาเข้าไปสิบนาทีเอ้สิบโมงยี่แปดนาทีแล้วยัง ม, มีข้ออื่นอีกเอาเรื่มันจะไม่พบไม่ครบเอาไม่ดังอีก เอาอย่างดังมีไหมเนี่ ย, ยสมบัติอบโศกนี่มันมีแต่ยางเงี้ยมีแต่ของเกงเงี้ยสมบัติอ่ ะ, อ ะ, อะาแพอพ อ, พอตั้งคถามอีกทีก็ได้อ้า่อะจะจะ ด, ดิไม่เสียเวลาอ้าวช่วยทธายเทคนิคหน่อยทางเทคนิคช่วยทางเทคนิคอเอาเครื่องเทคนิคมาช่วยอ้าวที่นี่ว่าไปเพราะครูมีเทคนิคในการหรือว่าพครูมีธรรมะหรือมีเทคนิคในการที่จะสร้างคนให้เสียสละ นะครับขอบพระคุณครับพรอครูมีเทคนิคหรือว่ามีธรรมะมียุทธศาสตร์ในการสร้างจิตอาสาเพื่อมวลมนุษยาชาติได้อย่างไรครับอาตมาไม่ต้องออกแบบไม่ต้องไปคิดสร้างเลยไม่ต้องดีไซน์อะไรทั้งนั้นนะพระบุทรเจ้าทํามาหมดแล้วอาตมาทำตามมารุจเจ้าเท่าที่อาตมาเกิดมาชาตินี้ที่มันจําได้จําได้มาติดตัวมาแต่เดิม แล้วก็มาเห็นจากตำรามาเห็นจากคำสอนมาเห็นจากอาจารย์อื่นๆเอามาอ๋ออันนี้ใช่อันนี้ใช่อัตมาก็ตัดสินเราตามภูมิของอัตมาได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ามาประกอบการเอามาจัดการเอามาทํางานกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงทุกบัดนี้ถามว่ายัางไงอัตมาเรียบเรียงไม่ได้หรอกมันมากมันเยอะแยะ ม, มันตอบไม่ถูกนะเรียบเรียงมาก็ต้องรู้สมควรว่าอย่างนี้คือองค์ประกอบระดับว่าอย่างนี้เหมาะสมกับคนนี้อันนี้เหมาะสมกับ สภาวะอย่างนีนะ้แล้วก็ทำจัดการให้ได้สัตว์ได้ส่วนมาก็คือพยายามใช้สัพปปริสธรรมเจ็ดนั่นแหละมาแต่ต้นจนกระทั่งเดียวนี้ก็รู้จักนิรุติปฏิพานรู้จักวงประกอบอะไรอะไรต่างๆนานาได้ดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นเรื่อยๆแม้หลักฐานตรวจสอบจากพระเตปิดกมั่งอัตมาไม่อ่านอัทกถาจารย์เพราะมันเยอะนะดีๆก็มี อะไรที่พอรับรู้จากกระจากสกตาจารย์เอออันนี้ดีอาตมาเอามาใช้อ น, นี้ใช่ไม่ได้อาตมาก็ไม่เอาใช้ภูมิตนเป็นเครื่องตัดสินแล้วก็เอามาใช้งานประกอบการทำกับสังคมมาตั้งแต่ต้นสี่สิบสี่ปีกาลังจะเต็มละที่จริงทำมาตั้งแต่ค า, ารวสแต่ว่ามันเป็นค า, ารวะมันได้ไม่ออกตัวทาอะไรไม่จรงมีแต่เขียนหนังสือบรรยายป้า เขาไปให้เปบรรดาธรรมะก็ะทําเป็นแอคเป็นคารวาสไปบรรดาธรรมะคนก็ไม่ยอมรับอะไรไปตามเรื่องอาถามว่าอาตมาทํำยังไงมีเหตุมีปัจจัยยังไ ง, ต อ, งไไตอบทั้งหมดไม่ได้นตอบทั้งหมดไม่ได้ก็โครงสร้างที่อะไรมันจะเป็นศีลสมาธิปัญญาคือโครงสร้างที่มันหนึ่งองค์ประกอบของฐานะบุคคลคนนี้ก็ทำนี้ให้เขาจัดการว่ามันก็มีแค่โลกกฎหลง ศีข้อหนึ่งนั้นจัดการเรื่องโทรศัมูลสีข้อสองนั้นโลภมูลศีข้อสามนั้นราคะมูลก็รู้ว่าเออคนนี้เหมาะเอาละเอาศีห้าก่อนที่จริงไม่ต้องเหมาะหรอกพระพุทธเจ้าตัดไปแล้วศีห้าเบื้องต้นก็เรียนรู้สิราคะโทรศัโมหะของตนเองโลภคือต้องการมาได้เป็นของของตนโลภเนี่ยจะได้อะไรก็แล้วแต่ ตั้งแต่วัตถุรูปถึงนาำมาทําอะไรก็ตามคุณอยากได้มันเป็นของของตนส่วนราคะโลภะนํามาเป็นของของตนส่วนราคั้นได้มาเสพรสเพราตั้งตาหูจมูกดินกายนี่เรียกว่าราคะหรือกามตรกูลกามราคะโลภะได้ได้มาเป็นของตนส่วนราคะได้มาเสพรสมันมีนัยยะสําคัญต่างกันอยู่แค่เนี้ย ส่วนโทสะนั่นก็คือความไม่หวังดีไม่ปรารถนาดีทาร้ายทาร้ายฆ่าแกงยงก็ตั้งถึงโกรธเคืองอไม่สบายใจหงุดหงิดก็แล้วแต่โทสะมูลทั้งนั้นคุณก็อ่านใจรู้ใจก็เท่านั้นเองคนนี้เหมาะสมกับสีหน้าคุณก็กำหนดเอาเองฉันจะลดโทสะของฉันตัวนี้สีหนึ่งฉันจะลดโลภะของฉันตัวนี้สีหนึ่งของศีห้าฉันจะลดราคาของฉันท่านี้ คุณก็กําหนดเอาแต่ข้อสีนั้นคุณจะต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาทุจริตใดๆก็ไม่เอาส่วนมันจะมีหยาบจะมีะส่อเสียจะมีเพอ้อเจอ้อก็ค่อยศึกษาไปตามลําดับมีปฏิพานพอรู้ถับรับได้รู้ได้รู้ถันคุณก็เลิกของคุณไปก็คือสามารถเรียมันดได้แล้วนนได้แล้วเหออันนั้นดังแล้วเหอได้แล้วครับผมอ้าวดังแล้วก็ดีแล้วนะมันก็เรียนรู้ตามหลักเกณฑของศีลสมาธิปัญญาอะไรก็เกิดทีมุตดนี่แหละไม่มีอื่นหรอก ธรรมะก็ใช่โครงสร้างหลักของพุจ้านี่แหละแตกจากศีลสมาธิปัญญาไปก็เป็นจรณะ15หรือเป็นโพธิปักขีธรรม37มสิบเจโพธิปธักขีธรรมตามที่อธิบายคร่าวๆไปแล้วเมื่อกี้ว่าสติปารานสีสมปปาราน4ีอิทธิบาทสีนั่นแหละคือสติสัมปชงวิริยะทำอมวิจัยสัมปชงวิริยะสัมปชงขยายมาก็มาเป็นสติปารานสีสมปปาราน4ีอิทธิบาทสี แล้วก็ปฏิบัติสตัวนี้สั่งสมผลลงเป็นอินทรีห้าพละห้าบนฐานของพอ่อชงเจ็ดกมักแ8หรือจารณะส5ก็คือคุณต้องมีศีลเป็นตัวหลักตัวปฏิบัติจริงเรียกว่าอภปนกกปฏิปทาสคือสํารวมอินทรีโพชเนมตัญยุตตาชาคิยานุโยคะคุณก็จะต้องพยายามสังวรสังวรอินทรีให้ได้ตามอาหารหรืออวิชชาสูตร เป็นอาหารคุณมีนิวรณ์เป็นอาหารด้วยคนอวิชชาเนะี่ยจะมีนิวรณ์เป็นอาหารเสพนิวรณ์เป็นพักษาอาหารบรรทุกวั น, นมีการมีพยาบาทมีทีนะมิถ่าอุธธจจจะกุก็จะวิชิกิจชาโดยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันมีจริงเป็นจริงตลอดเวลาเป็นอาหารเพราะฉะนั้นอวิชชาตัวโง่นี่มันมีนิวรณ์เป็นอาหารก็ต้องพยายามเรียนรู้อาหารพวกนี้ให้ได้แล้วก็กำหนด กำหนดตัวเหตุปัใจจัยในอาหาราและคุณจะควบคุมสุจริตสามควบคุมทุจริตให้เป็นสุจริตสามได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นกรรมที่มันเป็นสุจริตคือไม่ให้กิเล่มันเข้าไ ป, ไปเป็นตัวบงการกายกรรมก็ไม่ให้เป็นวจีกรรมก็ไม่เป็นมนโนกรรมก็ไม่ให้มันเป็นตัวบงการเลยคุณจะควบคุมไม่ให้มันเกิดทุจริตสามได้ยังไงคุณก็จะต้อง สํมรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะโยนิโสมานสิการอีกสามในอวิชชาสูงนะครูก็ต้องรู้ว่าสํมรว์อินทรีย์เป็นยังไงนะสติสัมปชัญญะเป็นยังไงและทําใจในใจโยนิโสมนสิการเป็นยังไงเมื่อคุณสามารถรู้นักทำเป็นทั้งสํมรวมอินทรีย์ทั้งมีสติสัมปชัญญะให้มันเกิดสัมปชアナสัม สัประเทศิติสัมปชลิช ต, ติที่อาตมาไล่ไปนั่นนะ่ะมันก็จะเป็นกระบวนการไปอย่างนั้นทั้งหมดคุณสามารถทําได้มีสติจนกระทั่งมีลูกน้องทั้งหลายแหละก็ทํางานต่อไปและคุณก็มีตัวประหารจัดการประหารประหารประหารได้อีกเรียกว่าโยนิโสมนัสิการอาตมาสรุปภาษาว่าทําใจในใจเป็นโยนิโสมนัสิการในแปลว่าการทําใจในใจเข้าไปแปลว่าทําไว้ในใจก็ไม่เป็นไรก็ทำไว้ในใจนั่นแหละ ไม่ใช่ทำไวเราทาเอาจริงจังเลยทำอยู่ในใจนั่นแหละทำใจให้มันเกิดการลดกิเลสให้ได้คุณก็ทำใจเป็นเมื่อคุณทำใจเป็นโยนิสโสมนณสิการที่งเป็นตัวสำคัญใครทำใจเป็นแล้วก็คนนั้นแหละถามดูก็ได้ใครมั่นใจว่าตัวเองทำใจในใจเป็นบยกมือทีเข <c oughs> <ส>้า <c oughs> ท่าฮะจริงหรือเปล่ปายังไม่รู้ต้องคอยตรวจสอบทีหลัง เลี่ยงตัวก็ว่ากันไปเลี่ยงตัวมาดูที่วันนี้คีโมหรือว่าลงผิดหรือว่าทํำในใจในใจเป็นจริงๆใครทําใจในใจเป็นคนนั้นมีโอกาสได้นิพพานแน่นอนถ้าทําใจในใจไม่เป็นไม่สมาธิถิพรสมาธิถิมันมีสองหนึ่งปรโตโตโคสะสองโยนิโสมนสิการอตมาอธิบายโยนิโสมนสิการมาปากจะฉีกอยู่แล้ว แต่คนไม่ฟังอาตมาฟังเขาไม่เอาไม่ปราโตโคโศไม่รับที่อาตมาฟังไม่ไม่รับอาตมาพูดเขาไม่ไม่ฟังฟังก็อย่า ง, งนะั้นอะผ่านหูผ่านไปเขาไม่รับคนนั้นก็ไม่สามารถเข้าใจโยนิโสมนสิการแบบที่อาตมาอธิบายการทําใจในใจให้เป็นตั้งแต่กายในกายไปจนถึงขั้นอุเบกขาในโพชฌงเนี่ยนี่โล ก, กุตระสามสถ้าทําเป็นผลก็จะเป็นโซดาปฏิมาโซดาปฏิพนไปจนถึง อ, าาอาลาหัตมักอลหัตพนสมบูรณ์ก็เป็น นิพพานเป็นโลกุตระเกเต็มครบตัวโลกุตระ46ินี่โลกุตระก็เข้าใจได้ได้ว่าโลกุตระมี46เริ่มตั้งแต่หนึ่งกายในกายจนกระทั่งถึง37ก็คืออุเบกขาและมันก็ได้ผลไปตามลำดับตั้งแต่โสดาปฏิมาไปถึงนิพพานอีก9ก็เป็น46่ใน ป, ปฏิเตปิโดกล่ม31มข้อ620จอยสเนี่ยจได้ซะด้วย S <S อ, อย่าหาว่าเก่งเลยมันจําได้เป็นบางอัน <S <S <S เอามาโชว์ก็โกนะเพราะงั้นถ้าสามารถทําได้ตามที่อาตมาพูดคร่าวๆนี้ก็นั่นแหละเป็นที่คุณถามมาคําตอบตอบได้อย่างนี้ครั บ, รบนะบบพอเอามาตรวจสอบหลักวิชาพระเจ้าเนี่ยก็เพิ่งจะเอามาตรวจสอบแล้วอาตมาไม่ได้จํามาได้ตั้งแต่ก่อนนะรรพระจันทน์ชนะพวกนี้เนี่ยมาได้จากกตรตะพิฎกมาได้จากตําราพวกนี้นะที่เอามาพูดอย่างคล่องๆเนี่ยพอพูดเจออาตมาเฮ้ออันนี้เงี้ยางงี้ยเหรอ จำง่ายอัตมาจํา37พรวดเลยบอกเป็นจุกท่องเลยนะโพธิบัตรที่สามสมสิ็โอ้ยสบปตตประกาศองหอจจไม่ต้องจําเพราะมันมีสภาว่ารองรล้ก็เอาป้ายมาแปะยาอัตมามีเนื้อยาและป้ายอ๋อตัวนี้ชื่อนี้ตัวนี้ชื่อนี้ตัววไม่สับสนเลยเรียงตามลําดับครับเอภัยไม่คุยโม่จังเลยครับน้ามันใส่โพธิลักอวดตัวอวดตนคุยโม่ พอคูรคร e ับทีมพวกเราเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายแพทย์ปฏิธรรมที่ช่วยกันเผยแพร่งานสุขภาพทั่วทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปต่างประเทศก็จะโอ้โหไปไกลอาตมาไม่บังอาจเลยต่างประเทศนี่อาตมาสปโปกองแงกฤไม่เป็นก็จะนีเ่เป็นสลงสโปกอังกฤษ์แลงก็จะมีการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มสเปกอังกฤษไม่ได้อาตมาก็เอาคา ไปทานสองทา น, ทา น, ทานา ม, มาพูดสปอกอิงแลนด์ครับแสดงเล่นสมัยเรียนหนังสือวยากรก็พูดเล่นสปอกอิงแลนไม่สปิคอิงลิชไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันทํางานในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนทีนี้ในการทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีข้อขัดแย้งมีอะไรอะไรต่างๆมีปัญหาต่างๆโดยเฉพาะข้อขัดแย้งกันหรือข้อเข้าใจผิดกันเนี่ยในพุทธธรรมะเนี่ย จะมีวิธีการอย่างไรครับในการที่จะช่วยทําให้เกิดความสามคัคคีหรือลดความขัดแย้งได้ครับผมโอ้ oh. เอา้ายาเม็ดแรก <c oughs> จะทําอย่างไรให้มันสามัคคีดได้ทุกคนพอมันเกิดการขัดแย้งปึ้งขึ้นมาปับ๊บคนนั้นหยุดทุกคนหยุด <c oughs> สบายเลยมีเม็ดแรกเม็ดแรกหยุดเลยยอมหยุดยอมนี่เม็ดแรก <c oughs> แ มันไม่ได้ยังไงก็ต้องบังคับมันอย่างหนึ่งสองต้องบอกมันด้วยปัญญาเองอย่าไปเทียงไปแย่งกันอะไรกันนักกันนาเราเทียงแย่งกันอยู่นะวิเคราะห์วิจัยกันวิเคราะห์วิจัยกันไปค่อยๆรู้เหตุรู้ผลเลยก็รู้จักสาระหลักเกณฑ์ของจริงอ่าอะไรเป็นอะไรก็เอามาอภิปรายกันเอามาวิจัยวิจารณ์กันไปแล้วก็รวบรวมกันสุดท้ายมันตกลงกันไม่ได้ก็โวทเยื่อพุทธศิกาหลักพระเจ้าหรือ นั่นแหละโวตเสียงภาษากีกา ว, วโวตภาษาบาลีกา ว, ว, ว, วเยปุยสิกาเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นหลักเมื่อคะแนนเสียงชัดเจนถูกต้องแล้วก็เอาตามนั้นอย่ามีตัวตนอย่าเอาตัวตนเป็นหลักต้องเอาหมู่เป็นหลักแล้วก็ต้องเคารพปัญญาของคนอื่นความฉลาดของคนอื่นแล้วมาอยู่กันคณะนี้คุณมาคุณเลือกแล้วใช่ไหมว่าหมู่นี้แหละฉลาดหมู่นี้แหละถูกต้องหมู่นี้แหละประเสริฐหมู่นี้แหละดีคุณเลือกแล้ว คุณก็ต้องให้เกียรติทุกคนอไม่ใช่คุณไปนู่นนะ่ะไปโวทที่ไหนโวทที่สนามหลวงมาจากทิศใตเ้เหนือออกมาจากนรกคุ้มไหนก็ไม่รู้รวมกันอยู่ในสนามหลวงแลวโวทอย่างนั้นอาตมาไม่เอาด้วยอะ่ะเอาเรียกว่ า, าแดนบัณฑิตเนี่ยมันจะต้องมีสมาชิกของสังคมบัณฑิตผู้ที่เป็นสมาชิก ที่ได้เลือกหรือคัดมาอยู่ในนี้เรียกว่าสภาเพราะสภาไม่มีบัณฑิตสภาไม่มีผู้มีปัญญาสภานั้นไม่ใช่สภาเพราะฉะนั้นสิ่งที่รวมกันอยู่นี่นี่นี่เป็นสภาเป็นที่ที่อยู่พร้อมเพียงกันเราก็เคารพสมาชิกของสภาก็ต้องให้เกียรติกันเพราะถ้ใครจะเข้ามานี่เราก็ต้องคัดเฟ้นทั้งนั้นแหละ ถ้าไม่คัดเฟน้นอยากที่อัตมาโยตยตัวอย่างนี่อ้าวมาหมดเลยที่ใต้เนื้อออกตกที่ได้มาจากหลุมนรกคุ้มไหนกันนะรวมกันอยู่ที่สนามหลวงนี่เป็นตน้นหรืออยู่ที่าาลาดพระรูปหรือว่าที่ไปชุมนุมกันมาโอ้โหแล้จะมาวัวกันตรงนั้นว้ยไปไหวไม่รู้มาจากผีหลุมไหนใส่ศึกก็มีผีก็มีมันไม่ได้ไอ้ยังงั้นไม่ใช่สภาสภาต้องพื่พวกที่เร า, เาคัดเลือกแล้ว เคารพในปัญญาของเขาแล้วแล้วก็รู้จักทิฏฐิแล้วว่าเอออย่างนี้ใช้ได้นอกทิฏฐินี่เรายังไม่ได้หรอกเราจึงต้องเคารพแต่ละคนนั้นที่เราเลือกแล้วว่ากลุ่มนี้เป็นสมาชิกสภาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าจะทำยังไงให้มันเรียบร้อยหนึ่งทุกคนหยุดก่อนตนเองสองมีอะไรก็ อ, ออกมาอภิปรายกันเอาออกมาเสวน า, นากันเอามา สัมนากันเอามาพูดประจามาตกลงวิจัยวิจารณ์กันให้หมดเมื่อวิจัยวิจารณ์กันแลบเรียบร้อยแล้วก็สรุปมติถ้าสรุปเป็นเอกฉันก็ไม่ต้องโหวตอะไรนี่หรือว่ามันก็รู้กันอยู่แล้วโดยปริยายว่าเออไม่ต้องโหวตก็ได้ใช่ไมก็รู้แล้วโดยทำเอ้าทุกคนไอคนที่มันแยกงอยู่มันก็ไม่มีเสียงมันก็ไม่ค้านเว้ยต้องโหวตต้องโหวตก็ไม่เป็นไรก็มันยอมหมดแล้วอ่ะ ก็ไม่ต้องโหวตแต่ก็อย่าไปบังคับประธานนี่แหละสาคัญประธานประชุมองค์ประชุมสําคัญอย่าใช้อํานาจบาดใหญ่จะทําทเป็นเชิงขง่มเฮ้ยเอ็งอย่าอินะอะีเดี๋ยวเอ็งไม่ได้ตําแหน่งขึ้นเอ็งไม่ได้ยาทําไอ้พวกนี้มันมีอํานาจซ้อนเพราะเชิงอย่าทําให้เขามีอิสาระเสรีสแสดงให้เต็มที่อย่าไปเชิงบังคับเขาคุณจะได้ของจริงแต่ถ้าคุณไปบังคับเขาคุณก็เป็นตัวผดดเด็จการคุบด์เดต้าอยู่ตลอดเวลาแหละมันจะไม่ได้เรื่องอะไรกัน นะเมื่อเราต้องพยายามนี่แหละก็ต้องเข้าหมู่ฝูงประชุมต้องมันกันประชุมมัวมันกันเลิกพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกมีอะไรในที่ประชุมเนี่ยอัตมาเคยบอกหลักการประชุมเมื่อประชุมมีอะไรเอาออกมาบอกกันให้หมดประเด็นไหนเรื่องไหนที่คุณจะว่ากันเอาออกมาให้หมดให้ละเอียดแล้ววิจัยวิจารณ์กันให้ครบเสร็จแล้วมีมติ ถ้าไม่ติดเป็นเอกฉันก็จบไม่เอกฉันเห็นว่าโดยปริยายว่าเออไม่ต้องโหวตนะใช้ได้ก็เอาธมตินั้นหรือมันต้องโหวตไม่ยอมต้องโหวตกันก็โหวตไป mm hmm. โหวตคะแนนเสียงชนะก็เอาตามมตินั้นออกมาจากห้องประชุมแล้วมติมีอะไรทุกคนถอดตัวถอดตนคุณจะเสนอแพ้อย่างไรคุณก็อย่าเอาตัวตนเข้าไปใช้อีกมติเป็นแล้วยืนยันตามหลักมติที่ได้ จะเรินเร็วทั้งดีและเร็วด้วยนี่คือหลักการสามัญแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าสังคมใดก็แล้วแต่จะไม่มีการขัดแยง้งสังคมใดไม่มีการขัดแย้งเลยนั่นมีสังคมเดียวคือสังคมควาย <laughs> ข้ออาภัยนะที่ไปว่าสังคมควายว่าควายมันโง่ คือมีแต่คนโง่ไม่มีความคิดอะไรเลยผู้นําว่าไ ง, งก็ตามตามผู้นําชาติพลไพร์โอ้ยมันไม่ใช่สคมค้นมันสังคมควายอตามผู้นําชาติพลไพร์นะั่นนะมันตามไม่ได้หรอกมันละต้องมีความคิดบ้างแต่มันต้องมีความขัดแย้งอันพอเหมาะถ้ามีความขัดแย้งอันรุนแรงเอาคนรุนแรงเอาก่อนออก่อนสังคมนี้มีมวลพอสมควรนะ มีสมาชิกพอสมควรนะไอ้ที่แรงจัดกว่าออกไปก่อนอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าคนพออยากจะเข้าหมูได้ก็มาเมื่อเราคัดนี้มันก็จะเป็นเนื้อมวลผู้ที่เห็นร่วมกันทิศทางทิฏฐิเป็นอ่าเป็นสามัญญตาทิฏฐิมันลงกันได้มันนี้มันมีทิศทางที่ชัดเจนมันรู้ว่าทิศทางไปโลกุตระเป็นทางนี้แน่มันมีองค์รวมก็มันอย่างนี้ทั้งคนนี้มันก็เป็นหมูเป็นกลุ่มที่ดี สรุปแล้วคือถึงแม้จะเป็นทิศทางเดียวกันอินทรีย์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจึงมีความขัดแย้งอันพอเหมาะความสามัคคีคือความขัดแย้งอันพอเหมาะพอเหมาะก็คือมีมติให้ได้นั่นแหละสรุปนะทําความเป็นมติหรือทําความขัดแย้งอันพอเหมาะให้ได้นี่คือวิธีเท่านั้นเองแสดงว่าความความขัดแย้งเนี่ย ทำไมมันไม่ดังอีกล่ะใครวางยาเอาไวไฟอะไรมาขวนรือเปล่าตองใช้ไวไฟรึเปล่านี่ไม่สายด้วยไม่ใช่ไม่สายนี่ไม้ไม้ลอยไรเล s เอาเออทานีแล้วเมื่อกี้ก็ใส่ทานแล้วอะไม่มีไม่มีแว๊บอะไรเลยฮะไม่เป็นไรใช้ไมพอครบ เหลือเวลาน้อยแล้วใช่ไมขออนุญาตใช้ไหมพ่อครูกได้ครับาวครับขออนุญาตใช้ไหมพ่อครูครับนะโลกนี้เอามาจากของพ่อครูครับตกลงครับโลกนี้พล่องอยู่เป็นนิดครับโอ้โหตกลงนะครับพ่อครูก็ยืนยันว่านะครับความขัดแย้งอันพอเหมาะเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น นะครับส่วนความขัดแย้งไม่มีความขัดแ ย, ย้งในที่ใดๆบอกแล้วว่าสังคมนั้นคือสังคมควายสังคมคุบปดัต้าดันฟาสซิสต์เต็มที่เลยแต่ถ้าความขัดแย้งแรงเกินไปก็เสื่อมนะครับโดยพระครูเน้นย้ำว่าเหตุที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะว่าอินทรีย์พะละต่างกันนะครับเพราะอินทรีย์พะละต่างกันนี่จะเป็นองค์ประกอบของความขัดแย้งทีนี้จะเหลือเวลาอีกประมาณประมาณ10นาทีนะครับอันนี้ สิบนาทีนี sí ้ยกให้พ่อครูนะครับว่าคิดว่าอะไรน่าจะเยอะแลเองอ่ะที่คุณจะต้องการอยางรู้ดีกว่าไม่เลยได้ตอบสั้นก็ไม่เป็นไรครับอันนี้จะเป็นเป็นเกตบางอย่างซึ่งซึ่งก็เกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่ามันอยู่ในพระรูเจ้าตัดไว้ในจัตตาริสูตรและอยู่ในหลายสูตรนะครับที่พระรูเจ้าตัดว่าน้ําปัสสาวะเนี่ยเป็นยาเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษอยากจะให้พ่อครูช่วย วิเคราะห์หรือว่าแสดงความเห็นเรื่องน้ำปัสสาวะครับผมอาตมาเองอาตมาก็ยังไม่เก่งในเรื่องนี้น้ำปัสสาวะในอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวคนในตัวคนที่เป็นน้ําสังเคราะห์ออกมาเป็นน้ําสังเคราะห์ที่เราก็รู้สึกว่าเป็นน้าที่สะอาดที่สุดแต่ทางแพทย์ทางอะไรเขาว่าเป็นน้ําสกรปรกแพทย์สมัยใหม่ แต่แพทย์พระพุทธเจ้าบอกว่ากินเลยเดื่มเลยใช้เป็นยาเลยเพราะงั้นเราเชื่อหมอพระพุทธเจา้าเราไม่เชื่อหมอสมัยนี้อาตมาก็ได้ทดสอบนะอาตมาได้ทดสอบทดสอบมานานปีแ ล, ล้วล่ะอาตมาก็ดื่มน้ำผสวะมาตั้งเยอะแต่อาตมามันขอภัยเถอะอาตมามันไม่มีโรคก็เลยไม่รู้ว่ามันรักษาโรคอะไรได้บงัง พราะงนดื่มน้ำปัสสาวะก็เลยดื่มฟรีดื่มมาหลายปีแล้วก็ดื่มดื่มมั่งหยุดมั่งดื่มมาติดต่อกันหลายปีติดต่อกันก็ดื่มมาแล้วมันก็ได้แต่ดื่ม้วก็ดื่มมันก็ทนนั่นเองมันก็ไม่มีโรคอะไรมันก็ไม่ได้ไม่รู้ผลว่าเออแล้วมันช่วยโรคอะไรได้บ้างแต่อาตมาตั้งการสังเกตอย่างหนึ่งว่าคนที่ดื่มน้ำปัสสาวะกันมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครเลยที่ดื่มปัสสาวะมัดไปแล้ว และบอกว่าเพราะน้ําปัสสาวะเชียวเราถึงเกิดพิษเกิดภัยเกิดโรคนั้นโรคนี้เหตุเพราะปัสสาวะยังไม่เคยมียังไม่เคยมีเลยว่าใครดื่มน้ําปัสสาวะแล้วมีอย่างเดียวอ้วกมันไม่ใช่โรคมันเป็นความรังเกียจเป็นกิเลสของคุณคุณถือดีถือตัวน้าปัสสาวะที่มันพ่อย่างพ่าดื่มแต่คุณเองคุณมีความรังเกียจเป็นอุปทานของคุณเองเพราะคนดื่มน้าปัสสาวะมีโรคเดียวโรคอ้วก พวกอย่างเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นไม่เห็นมีพิษมีภัยอะไรไม่เคยเห็นว่าใครดื่มน้ําประสัสดิ์แล้วจะเกิดพิษเกิดภยัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยแต่น้ำปรสวัสดิ์ที่ดื่มแล้วหายโรคมะเร็งก็มายืนยันหายโรคอย่างนั้นโรคอย่างนี้ก็มายืนยันอันนี้มีเยอะอันนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นน้ำปัสวัสดิ์ก็ต้องถูกกับการรักษาโรคของแต่ละบุคคลอาตมามันไม่มีโรคมันก็เลยไม่ถูกอาตมา อาตมาก็เลยไม่อาตมาก็เลยทุกวันนี้ไม่ค่อยดื่มดื่มบ้าอยากดื่มก็ดื่มไม่ดื่มก็แล้วไปแต่อาบสปาทุกวันอาตมาสปาน้าปัสสวะเยี่ยวไม่ทิ้งใสก่กระบอกใส่มันมีก็ใส่แล้วมีขวดใส่ใส่แล้วก็วันทั้งวันก็เยี่ยวไว้เสร็จแล้วก็ตรุ่งเช้ามาก็สปา แล้วก็เยี่ยวใส่ไว้วก็แก็ไว้ก็สปากันทั้งวันอาหน้าเมื่อไหร่ก็สปาไม่อาบน้งก็สปาแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งในตัวจนกระทั่งว่าจะออกสังคมหรือว่าจะต้องออกไปทำงานกรบหมูก็ต้องล้างอาบน้ำสักก่อนจากอาบน้ำไปแล้วก็ไม่สปาจนกว่าจะถึงงวดใหม่ค่อยสปาอีกทีหนึ่งสปาครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งก็แล้วแต่สปาแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันหมักในตัวไป เท่นั้นนาทีตัวนี้นาทีชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้า ง, งประเพอสองชั่วโมงกว่าจะได้สปาอีกทีทำงานเพลินไปอ่าก็สปาไปวันหนึ่งสงครั้งบ้าง3ครั้งบ้างสี่ครั้งบ้าง5ครั้งบ้างแล้วแต่มีมากหรือว่าได้โอกาสมากก็ได้สปามากก็เยี่ยวตัวเองนั่นแหละอ่าหลาสปาไปถ้าทิ้งข้างไว้บางทีมันก็มีกลิ่นนําหมักไว้แบคทีเรียมันก็มีบ้างแต่ก็เอาไปมันก็รู้มันก็กลิ่นของเราอ่ะแหละกลิ่นของมันหมัมกแบคทีเรียมารวมก็เรื่องของมัน ก็สปาไปก็ดูดีหลายคนก็ว่าเอ้ผิวหนังคน80มันก็น่าจะยนย่อนยานหรือว่าอยู่ยีหรือว่าแม่แต่ไอ้นี่ก็บางคนสังเกตว่าไอ้นี่ไอ้เบิร์นพอยต่างๆมันก็หายนะมันก็ลดก็อะไรลงไปบ้างว่าองั้นไปอัตมาาก็ว่ามันหายอมันเห็นอยู่ทุกวันเลยไม่รู้ว่ามันหายไม่หายแต่คนบางนานๆทีก็ว่าก็รักษา เนื้อสัตว์ตัวร่างกายข้างนอกมันจะซึมซับเข้าไปเป็นมีผลถึงข้างในหรือไม่อาตมาตอบไม่ได้เพราะอาตมาไม่มีโรคอย่างที่ว่าอาตมามีอยู่อย่างหนึ่งมีความไม่สมดุลในร่างกายไอเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้มาจากเหตุอะไรหมอสเปกเชอร์ลิสทางหูตาหูคอจมูกหมอประพจน์อยู่ที่วิชัยยุทธอาตมาก็ไปรักษาหมอที่เป็นสเปเชอรลิสทั้งนี้หลายเจ้า ไปพบมาหมดรักษามาหมดแล้วหมอประพจน์ก็รักษาอยู่กันหลายเดือนเป็นปีจนสุดท้ายหมอประพจน์ก็บอกว่าโอ้สงสัยต้องยกให้เอดจริงแล้วนะท่านมันเป็นไปตามอายุวัยแล้วละ่ะมันมันไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยอะไ ร, ร อ, อัอาตมาก็เลยต้องถึงบางอวาอวออาตมามีวิบาก มีวิบากที่อาตมาจะต้องมีสิ่งนี้ที่มันไม่สมดุลในร่างกายแม่หมอที่เก่งในปัจจุบันนี้ในเรื่องโรคทั้งมันอาการไอเกิดจากอะไรหมอที่เขาเรียนมาสเปเชอรลิสต์ทางนี้เขาก็ต้องรู้หาด้วยเครื่องมือไม่มีเจอตรวจด้วยคนก็ไม่เจอรักษาโดยการอ่าซิมโตมติกทรีตเมนต์รักษาตามอาการต่างๆก็ไม่รู้ติกของมันไม่หาเหตุมาไม่ได้ ก็เลยรักษามาตา ม, ตามเรื่องของมันนะซิมตอมซิมตอมไปทรีตเมนต์มาเรื่อยนะไม่รู้เหตุเลดดิเคิลทรีตเมนต์ไม่ได้ก็เลยคาร์กส็สงอยู่ทุกวันนี้ก็เลยไอ <I S 1> เป็นงานประจำของอาตมาเป็นกิจประจำของอาตมาเท่านั้นเองเพราะไม่รู้เหตุแต่มันก็แรงบางทีมันแรงจนต้องทึกจะหายใจไม่ออกมีเหมือนกันแต่ น, น, นานๆมีที ตนนนก็ไอธรรมดาเนี people, ่ยคันคอมาปั๊บมันคันจากอะไรก็ไม่รู้ไปโทษนั่นโทษนี่โทษโน่นโทษนี้กินนั้นโน่นก oui, well ินนั one, ้นนี้ดื่มมันน้นดื่มมันนี้อาตมาก็ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่สรุปแล้วเล็ดอิดปีครับประเด็นท้ายที่จะเรียนถามพ่อท่านก็คือว่าคนเรา ส่วนใหญ่ก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บและหลายคนมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่หนักนะครับเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บที่หนักเนี่ยหลายคนพอใจเสียแล้วแย่เลยหลายคน<ม>ใจสุดนะครับใจเสียแล้วสุดครั บ, รบอัตมาขอยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมโยมปราณีเนี่นะโยมปราณีพอหมอบอกว่าอีกหกเดือนจะตายด้วยโรคมะเร็งปอดอาไปเตรียมตัวเธอเอายาไปกินทีนี่ โยมปราณีนี่ได้คบหากชาวโศสมานานรักษาใจารธรรมชาติกินอาหารเป็นธรรมชาติดื่มน้ําเยี่ยวอะไรงี้เป็นต้นแล้วก็ออกกําลังกายทําใจให้เบิกบานแกก็รู้หมดแกก็ทําทุกอย่างให้ครบทําใจให้เบิกบานไม่โกรธไม่เศร้าขยันหมัน่นเพียรทํางานออกกําลังกายให้ตามสมสัดสมสวง ต, สสตัวเองได้ออกกําลังกายทุกวันแล้วก็กินอาหารอย่างธรรมชาติอย่างอะไรมาดื่มน้ําเยี่ยว จำมาจนหมอบอกว่าหกเดือนตายตั้งแต่อายุหกสิบแกก็าตมาสองปีเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่คุณคิดแล้วกันว่ากี่ปีมาแล้วตั้งแต่อายุหกสิบเดี๋ยวนี้แปดสิบสองแล้วก็ยังอยู่ยมประนีหกเดือนตายไล้ไปหาหมอให้เขาตรวจดูบอกไม่รู้ก้อนมะเร็งมันหายไปไหนแกก็ปักใจว่า ก็หายเพราะปัจฉวะอัตมาก็บอกว่ามันไม่ได้หายเพราะปัสฉวะอย่างเดียวหรอกมันหายเพราะอารมณ์ก็ทำไม่ดีไม่โกรธไม่ไปที่ดมีเรื่องราคัโทสะไม่ให้มันเกิดในจิตแล้วก็ออกกำลังกายให้ในสมดุลแล้วก็ทำงานขยันหมั่นเพียรขยันทำไปต่างๆนานาก็แอพิเัยกับการงานเอพิจัยกับ ลูกลูกห ล, ลานมันก็มีแต่สารสุกหน้าก็งอกงามเจริญดีผีมะเร็งตายอย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นรูปธรรมยกตัวอย่างให้ฟังเพราะนั้นคุณจะเป็นโรคอะไรจจอยกับมะเร็งรักษาโดยยานี้หายนะ่าเชื่อ <laughs> นี่ตอบสรุปละ ร, <ม>รักษาทุกอย่างองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมและใจออกกําลังกายให้มันได้สัดส่วนครอาหารด้วยให้พอเหมาะพอดีโดยเฉพาะอาหารมังสวิรัติอาหารธรรมชาติครับเคยได้ยินพ่อครูแนะนําผู้ป่วยหลายครั้งที่ที่ขอความเมตตากับพรอครูเวลาเข้าหนักหนัพกพ่อครูมักจะพูดคําว่าปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอันนี้เป็นรักษาพลังงาน คำว่าปล่อยวางปล่อยวางเป็นการรักษาพลังงานคุณไปกังวลจิตคุณคอนฟ lict ขึ้นมาคุณก็เอาพลังงานส่วนหนึ่งไปกังวลไปต้านไปทําอะไรคุณเลิกให้จิตนี่ไปกวนจิตตัวเองปล่อยอให้มันเป็นไ ป, ไ ป, ไปตามธรรมชาติว่างลงแล้วก็เทศใจให้เบิกบานร่าเริง ม, มีอะไรที่ควรทําก็ได้ออกกําลังกายทางกายทางจิตไปตามธรรมดาจิตมันก็ปรุงแต่ง กายมันก็มาทำงานปรุงแต่งทางกายจิตก็ปรุงไปด้วยไม่มีอะไรที่จะไปขัดยองให้สปากเสียพลังงานสูญเสียกำลังก็ดีทุกอย่างก็ไม่มีอะไรไปขัดแยง้งตัวคนนี่นะเป็นพลังงานที่มันจัดสรรรักษาตัวมันเองเก่งที่สุดไม่มีอะไรเท่าคนในพลังงานคนจักรกลของคนอวัยวะทุกอย่างเนี่ยมันมีหน้าที่ ทำให้มันลงตัวทำให้มันสมดุลมันมีหน้าที่ของมันทุกอันเพราะอะไรมันเกิดขัดข้องปั๊บมันจัดแจงตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรไปกวนมันเลยมันทำงานของมันตามยถากรรมของมันนี่แหละปล่อยครับก็เป็นข้อมูลที่ ที่น่าสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะว่าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตใจเนี่ยมีผลเร็วมาก <c oughs> คือจิตเสียเนี่ยก็แย่เร็วมาก จ, จิตดีก็ดีเร็วมากแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยฝึกนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์เร็วที่สุดแต่คนคนก็ไม่ค่อยฝึกใช่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่ามโนปุพังขมาตามามโนเศรธามโนมยาใจเป็นใหญ่ ใจจะเจริญใจจะพัฒนาไปดีมาจากใจเป็นตัวหลักอาตมาว่าในทางโลกหมอปัจจุบันนี่เขาก็รับยอมรับว่าใจเนี่ยมันถ้าใจมันดีใจมันรักษาได้ 60% ซหายไปแล้วถ้าใจมันดีใจมันรักษาตัวมันเอง 60% ซนะนอกนั้นก็อวัยวะทางกายเท่านั้นเองทางองค์ปาะยบของร่างหมอก็ดูแลไปสิเพราะหมอศึกษาทางนี้ หมอไม่มมได้เก่งทางจิตพระพุทธเจ้าเก่งทางจิตเพระเาะฉะนั้นจิตนี่มันเหนือกว่าใจาเนือก็ากายเนือก็องค์ประชุมดินน้ำไฟลมและอวัยวะทั้ง32สองใจมันเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสามารถทำใจก็ได้และทางองค์ประชุมหรือกายดินน้ำไฟลมและองค์ประชุมที่มันเป็นอวัยวะน้อยใหญ่หักสอเนี่ยคุณก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ช่วยมันอีก มันก็หายแล้วมันก็ดีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ทั้งภายนอกภายในทั้งใจและองค์ประชุมหรือ ก, กายอาวัอยวะน้อยใหญ่ครบทั้งโลกเขาเรียนรู้ผ่าตัดดูหมดเลยเล็กละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยนี้หมอผ่าตัดใช้เลเซอร์ใช้อะไรสองนี้หน่อยมันก็เก่งแล้วแต่ใจยังไม่เคยรู้ทั้งที่ยอมรับว่าใจห0เรซนพวกเราศึกษาใจเป็นหลัก เราก็จะเป็นหมอที่เราก็ไม่ได้ไปดูถูกหมอทางกายเราก็ยอมรับเพราะฉะนั้นอะไรเราทำได้ทางกายเราก็ทำผ่าตัดเป็นเราก็จะผ่าตัดรักษาได้ทางอวัยวะทางกายได้เราก็จะรักษาแต่ถ้าเพราะว่าทางใจเราเก่งกว่าได้ทำได้ด้วยมันก็จะช่วยกันได้ดีมากเลยเพราะงะั้นหมอที่ไปใช้เดี๋ยวนี้มันมีหมอ หมอโยเรหมอพลังจักรวาลหมอพลังอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ใจเป็นตัวหลักคนที่ถูกลักษาเนี่ยเขาก็ยอมอนุญาตให้ทำจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อนุญาตก็แสดงว่าให้พลังงานทางนี้เข้าไปร่วมได้แล้วมันก็ร่วมภาวะทิ่ตานบางทีนี่เร็วก็มีภาวะภาวะที่ต้านในบางทีมัน ทำงานได้เร็วก็มีภาวะที่อาตมานี่เคยเรียนสะกดจิตมาบางคนต้านเนี่ยโอ้โหสะกดง่ายบางคนไม่ต้านเลยเนีย่สะกดยากยากมันคํำหาไม่เจอมันไปเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็จับตัวเขาไม่ติดตึกสะกดไม่ค่อยได้แต่เชอทูต้านเนี่ยมันโผล่มาหมดเลยมันง่ายอนอกจากมันแรงมากบางทีเราก็สู้ยากถ้าแรงไม่มากเราก็สะกดง่าย คนใจสู้นี่ใจไม่ยอมรับนี่แต่สู้นี่โอ้โหดีนะสะกดดีนะเพราะฉะนั้นบางทีต้านเนี่ยมันจะมาออกมาเจอกันครบไงมันเลยไวเพราะถ้าสามารถรู้และสามารถแรงของเรามีแรงและมีรู้ได้ไดพอเราทำได้เร็วนะเพราะฉะนั้นการจะรักษาเนี่ยทั้งรูปธรรมและนามธรรมา ท, <c oughs> ทั้งทั้งสสารและพลังงานเนี่ยเราก็เรียนรู้นี่แหละอย่างที่ทำมานดีแล้ว ก็ค่อยๆสะสมความรู้ไปอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาก็คงไม่เก่งพอที่จะอธิบายได้หมดแต่รวมแล้วก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนั่นแหละพยัญชนะที่จะเรียกอันนั้นอันนี้อาตมาก็เรียนไม่เป็นด้วยเรียไม่ถูกาชาตินี้อาตมาม า, มาแสดงมาแสดงมาเป็นตัวละครของโลกคือตัวละครที่จะแสดงความรู้ของธรรมะ ไม่ได้มาแสดงตัวถึงความรู้ทั้งโลกเพราะความรู้ทั้งโลกของเราเป็นอาตมาชาตินี้จะน้อยจะได้วความรู้ทั้งโลกทั้งหมดแต่แสดงความรู้ ท, งทางธรรมอย่างเดียวโดดๆเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงของธรรมะว่าเป็นคุณสมบัติของธรรมะเป็นคุณค่าของธรรมะอย่างนี้เพียวๆอาตมาปางนี้มาอย่างนั้นแล้วก็เลย อนุเคราะคุณความรู้ทางโลกโลกีแต่พยัญชนะอะไรอะไพวกนี้ไม่ค่อยได้ก็พยายามจะรวบรวมอยู่เท่าที่สื่อได้ก็สื่อบอกเอามาเป็นนิรุติปฏิพานมาประกอบการอธิบายการสื่อตัวนั้นเองคุณเรียนมาทั้งนี้ดีแล้วเรียนให้ได้ปริยาเอกปริยาโทปริยาเอกอะไรกันมาเยอะๆแล้วก็เอามาช่วยๆกันรบรวแล้วก็ทําเสนอแก่ประชาชนก็สําคัญละกิเลสไปด้วยให้ได้ คนละ ก, กิเลสหมดคุณจะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อมหาสมาคมได้อย่างมากครับคาถามหลักหมดแล้วครับพ่อครูครับหมดแล้วเหรอครับเมื่อกี้นี้อาตมาว่ามันสิบนาทีตอนนี้เหลืออีกห้านาทตีตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้านาทีอีกห้านาทีก็ขอสรุปอย่างนี้เอาพวกเรารวมตัวกันก็ดีนะอย่างมองเขียวรวมตัวกันนี่มันมีภาวะที่จักต้องได้มากกว่าอาตมาอาตมาเป็นนามธรรมันเยอะ แต่หมอเขียวนี่มีรูปธรรมโดยตั้งตัวแกนของโรคภัยไข้เจ็บเป็นตัวฐานฐานของการนำพาก็เลยมากันทุกคนกลัวตายด้วย โ, ร, โ, ยโรคก็เลยมากันมากก็ดีแล้วล่ะก็ศึกษาไปก็จะเป็นการนำนำการศึกษาทางแพทย์แพทย์ที่ สังเคราะห์ร่วมกันเป็นองรวมของทางกายทางจิตนะทางกายทางจิตซึ่งเรียกว่าทางศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยมันเรื่องของจิตเขาหาว่าศาสนาพุทธไม่เป็นศาสนาเพราะไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่ไม่เอาโรควิญญาณดีไม่ดีไปตีวิญญาณทิ้งด้วยซึ่งเขาเข้าใจไม่ได้ศาสนาพุทธเนี่ยสุดยอดในศาสนาที่รู้จักจิตรู้จักวิญญาณอย่างครบบริบูรณ์ด้วย ศา ส, สนาไหนจะเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างศาสนาพุทธกันบ้างมีรูปยี่บแปดมีจิตแปดสิบเก้ามีเจตสิกห้าสิบสองอะไรหรือมีจิตตึกร้อยยี่สิบเอ็ดอย่างละเอียดเนี่ยมีที่ไหนก็ศึกษาที่จริงมันมีมากกว1ร้อยยิบเอ็ดแต่1้อยี่บนี่ก็ครบขบวนแล้วหละไม่ถึงร้อยี่บ็ดก็สามารถที่จะบรรลุทำได้นะเพราะงั้น จะบอกว่าศาสนาพุทธม่เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเขาพวกคิดตู่เขาไม่รู้ตั้งแต่นานาจิตของเขานั้นเป็นเทวานิยมแล้วเขาก็เป็นพวกสู่ห ก, กจิตให้จิตอยู่ที่พระเจ้าบรรดาลอํานาจคุณไม่ใช้ปัญญาคุณไม่ใช้วิเคราะห์วิจัยคุณไม่สัมผัสในรูปนามจิตของคุณมีแต่จิตที่คุณไม่รู้จักจิตและคุณก็ไม่เรียนจิตที่มันเกิดเพราะมันต้องมีรูปนาม พระเจ้ญญาพระุทธเจ้าถึงรู้จักวิธีว่าจะเอาจิตมาใช้ให้วิญญาณมาแสดงตัวเมื่อไหรเมื่อตาเขากระทบดินน้ำไฟลมหูกระทบดินน้ำไฟลมจมูกลิ้นกายทุกส่วนกระทบดินน้ำไฟลมวิญญาณจะโผล่มาเกิดทันทีเป็นพัรษาสามนี่เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าจึงรู้จักตัววิญญาณแท้จริงและทําวิญญาณนี้ให้เป็นปรมาจตามัน ให้เป็นบรมอัตตาให้เป็นบรมจิตคือจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ที่สุดจิตมีทั้งปัญญาที่คุณมีทั้งกรุณาที่คุณมีทั้งวิสุทธิ์ที่คุณนี่เป็นตรีมูลติสามคุณสมบัติของจิตมีทั้งปัญญาที่รู้พร้อมรู้รอบรู้จักจิตครบถว้วนรู้อาการของจิตรู้จักจิตที่เป็นอกุศล กำจัดรู้จักวิธีกำจัดอกุศลจนหมดเกลี้ยงอย่างแท้จริงเป็นกุศลแจิตล้วนๆเพราะฉกุศลจิตที่ศึกษาอย่างไม่หนีจากจากสังคมไม่หนีจากกรรมกิริยาทุกอย่างรู้จักกรรมกิริยาทุกอย่างรู้จักองค์ประกอบของกรรมกิริยาทุกอย่างแล้วก็จัดการกับองค์ประกอบของกรรมกิริยาทุกอย่างเรียกว่าอภิสังขาร แล้วก็เลือกเอาตัวกิเลสมาตัดตัดตั ด, ตดกําจัดกําจัดจนหมดได้จริงจึงเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงวิญญาณหรือจิตอย่างสมบูรณ์เลยแท้แท้แล้วก็ทําจิตวิญญาณของตอนให้เป็นจิตวิญญาณพระเจ้าจิตวิญญาณที่มีตรีมูรติครบมีทั้งปัญญาที่คุณสมบูรณ์มีทั้งกรุณาที่คุณสมบูรณ์มีทั้งวิสุทธิคุณสมบูรณ์เลยนี่แหละองค์ตรีมูรติของพระเจ้า มีในตัวเราจะบอกว่าเรานี่แหละเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าก็คือเราเราก็คือพระเจ้ า, าศาสนาพุทธทำได้อย่างนั้นจริงๆแต่คนไม่รู้เรียนไม่ได้และไม่รู้โครงสร้างไม่รู้ทฤษฎีของพระศาสาศนาเพราะงั้นเวลามาพูดก็เอาสมมุติมาพูดแต่เวลาผลที่ได้มันเป็นจิตเพราะจิตมันไม่มีอะไรเอามาพูดได้มันอสเีรังอนัตตา มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรที่จะเอามาพูดแต่พูดถึงเหตุปัจจัยและทำเหตุปัจจัยครบจิตมันก็เกิดเป็นจิตบริสุทธิ์ได้นี่คือสัจจะที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธคนก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคนคนไหนเชื่อก็มาคนไหนไม่เชื่อก็ไม่ต้องไม่ต้องมาไม่เป็นไร คนที่เชื่อก็มาเรียนรู้และปฏิบัติเอาให้ได้ได้แล้วมันก็เป็นประโยชน์เพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในตัวเป็นอุปตเป็นอุปยถาเป็นประโยชน์สองสองอย่างสองส่วนพร้อมกันทั้งปรัตถะทั้งอัตถะทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพระจบประโยชน์ตนแล้วมีแต่ปรามัตถะมีแต่ประโยชน์เพื่อผู้อื่นทั้งหมดมีแต่ปรามัตถะ มีแต่ประมัิบรมมาประโยชน์เพื่อผู้อื่นทั้งสิ้นเลยนี่คือศาสนาพุทธรู้สึกว่าโพธิรักจะคุยโตจังเลยวันนี้พูดใหญ่พูดโตเอาละเวลาก็หมดคุณสรุปโดยที่ไม่มีเวลาครับวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลวันหนึ่งนะครับของ Uh, mm hmm. เครือข่ายแพทย์ปฏิธรรมของเรานะครับ mm hmm. ที่ได้รับความเมตตาจากพ่อครูสมนาโพธิรักษ์นะครับได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับธรรมะที่เกี่ยวข้องกับทั้งในเชิงการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็การปฏิบัติชีวิตให้มีความสุขให้พ้นทุกข์ควบคู่กับการ ทำด้านร่างกายด้านสังคมสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับก็จะเป็นความครบนะครับที่สมบูรณ์แบบในการที่นำพาชีวิตนั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขและก็ให้มีคุณค่าต่อตอนเองและผองชนในวันนี้ทางเครือข่ายแพทย์พิธธรรมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อท่านมสมณมพโ<อ>ท <ไร S 1> ทิรักษ์เป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ไ<ม>โอกาสาเรานะครับได้ ฟังสิ่งดีๆนะครับก็ทางเครือข่ายแพทย์ธรรมก็จะพยายามภาคเพียรปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับกราบขอบพระคุณพ่อครูมากครับสาธุเตรียมตัวกราบสามครั้งครับ บูมตัวนั้นรับรับเสียงได้อะ่ะบูมตัวนั้นรับเสียงได้ใกล้ขนาดนี้รับเสียงได้อะบูมตัวนั้นไกล้ขนาดนี้รับเสียงได้อะ